วันนบอลลตมาเร็วไหมบอลลีกลาบครับว่าอย่างไรสบายดีแล้วสบายดีครับวันนี้เห็นรูปภาพหน้ากุฏิทําใหม่หรอครับเ อ, อ่อทำหลังคาเป็นที่กัน ด, ดกันฝนเพราะคนมาแล้วบางทีฝนตกแดดออกไม่มีที่นั่งอะไรต้องทำหลังคาหน่อยทําเต็นท์หลังคาเอากลับไปใช้ไหมครับไม่แน่อันนี้ยัง ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จะใช้เมื่อไหร่ยังไม่รู้ <c oughs> มีธรรมะมีคำถามอะไรไหมก็อุปจารสมาธิคื อ, อยังไงหรอครับอ๋อมันเป็นสมาธิพิเศษสมาธิที่ให้ให้อภินญาผูทิบตาทิพติดต่อเทวดาระลึกชาติ มันคือต้องได้อับปนาสมาธิก่อนหรือว่าไม่เกี่ยวครับเราต้องต้องได้อับปนาก่อนถ้ามันถึงจะออกไปทางอุปจาระต่อไปบางคนเข้าใจพิคิดว่าได้อุปจาระก่อนอับปนาไม่ใช่ทางปฏิบัติก็ว่าต้องผ่านอับปนาก่อนออถึงจะได้ถึงจะแต่ก็ไม่ได้ไไดทุกคนอันนี้เป็นเรื่องวาสนาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ คนไม่ได้อยากจะได้ก็ไม่ได้แต่คนได้บางทีได้ไปก็ไม่ดีเพราะทให้ไปเหมือนได้ของเล่น่ะมันไม่ไปทํางานมันไม่มไมมไมพักผ่อนมันต้องการให้อยู่ในอัปปนาเพื่อพักผ่อนให้ได้อุเบกขาแต่ถ้าไปอุปจาระมันก็ไปเที่ยวไปเล่นไปท่องเที่ยวพบนอนพบใหญ่ ไปพบกับพู้ผีปีศาจ ต, ต, ต่างๆก็เลยเสียเวลาไม่ได้พักผ่อนถ้าไปถ้าไปเล่นกับอุปจารสมาธิเอาจากสมาธิก็ไม่มีโอเบคาไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาปัญญาหรือต่อสู้กับความอยากงั้นถ้าไม่มีอันดีแล้วถ้ามีก็อย่าเพิ่งไปเล่นกับมัน ให้บรรลุธรรมก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้มันเป็นประโยชน์ต่อไปได้เอาไปใช้อย่างพุทธเจ้าไปใช้เทศสอนเทวดาเลแต่เจา้าไปใช้ใช้อุปจารสมาธิแ ล, ล้วรสชาติหน้าชาติต่างๆพระเจ้าสิบชาตินี้ก็มาจากอุปจาระสมาธิแต่ถ้ายังไม่บรรลุธรรมอย่าไปเล่นอยูมันเพราะมันไม่แบบเทวชัติเนี่ยเทวชาติแบบก็ได้ที่ได แต่ไม่มีอุเบขาสู้กิเลสไม่ได้พอาะกิเลสบอกให้อยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็เลยไปขอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็เลยโกรธต่างฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งเลยอย่าระหว่ังคนที่เนี่ยคนที่มีเข้าอปปนาสมาอุปจารสมาธิได้ต้งระวังอย่าไปคิดว่าดีนะอย่าคิดว่าเก่ง เก่งแต่เป็นโลกีะไม่ใช่เป็นโลกุตระต้องเอาเอาปัปปนาเอาเบคาแล้วจะได้ไปสู้กับกิเลสได้ฟังของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเวลาเข้าสมาธิบางพีจะวุบเหมือนดิ่งลงไปเลยกับค่อยๆไต่ไปมันช่วยอธิบายหน่อยครับว่าปฏิบัติเหมือนทำไมมันมีสองแบบอะครับถ้าพุดโธนี่มันจะตกลุมตกบ่อเร็ว แต่ถ้าดูลมนี่มันจะไปทีลาขั้นทีืมเป็นเป็นขั้นขั้นลงไป <c oughs> ส่วนใหญ่นะเท่าที่ได้ยินมาพวกพุทโธนี่มันจะตกหลุมตกบอก่อตกเหวลงดูลมนี้ก็สงบค่อยค่อสมบเข้าไปแต่ไม่แน่นะนี่อย่าไปถือว่าเป็นเรื่องตายตัวมันจะลงแบบไหนไม่ต้องไปสนใจ จะรูว่าแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันบางทีมันเหมือนลงไปแล้วขึ้นมาใหม่มันเหมือนสลับไปสลับไปมาอย่างนี้ก็เลยก็มันสติมันมีกําลังหน่อยมันสู้กันเนาะอิเลสมันดึงออกสติดึงเข้ามันก็เห็นต้องฝึกสติให้มากๆในเวลาลงก็ต้องรักษาสติไว้จอดอย่าปล่อยสติครับหมอหมอผ่าตัดส ต, ติเขาจะดีกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าขเขาถ้ามาปฏิบัติทํา เขาก็มีสติระดับของการทำงานทั่วไปเหมือนคนนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีสติคำนวณอะไรใครทำงานอะไรต้องมีสติช่างช่างตัดผมก็ต้องมีสติเดี๋ยวตัดไม่รู้เรื่องหัวร้นนอ่ะใช่ไหม <c oughs> มีสติทั้งนั้นแต่ไม่ไม่ไม่ได้ระดับที่จะ หยุดกิเลสได้สู้กับกิเลสได้ส ต, ติตามารมีเวลาหลับได้ไหมครับเวลาหลับไม่มีเวลาหลับก็พักไปพไปโอเคครับไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากวันนี้ม า, เ, าเร็วเลยคราก็ันนี้สวัสดีคุณาาคสายทิพย์เชิญคุณสายทิพย์จากมหาสารคามเมื่อกี้คุณวันนี้จากกรุงเทพลืมลืมบอกไมไ่รู้ว่ามาอยู่ที่ไหนกันว่า <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ mm hmm. ก็มารายงานการปฏิบัติค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งใจมากขึ้นเดินจงกรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีสวดมนต์ปกติชอบนั่งสมาธิที่นี้มีวันหนึ่งค่ะก็คือเหมือนนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณปลายจมูกแล้วมีความรู้สึกว่าก็คือคล้ายเดิมก็คือมันจับุก วืดไปแล้วก็เห็นร่างกายเหมือนรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งสิ่งที่ที่ไม่เหมือนเดิมคื อ, อ, อวันนั้นเปิดเปิดเทปธรรมะฟังไปด้วยค่ะเพราะคิดว่าถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนเราจะง่วงนอนก็เลยฟังธรรมไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยแล้วทีนี้มีช่วงบางช่วงค่ะเสียงเสียงจะหายไปเลยค่ะใายๆว่ามันว่างไม่มีอะไรเลยเราก็เลยเอ๊แล้วก็เลยเ อ, เยเ อ, เอ๊ค่ะ เอ๊ะมันเงียบมันแบบเสียงหายไปไหนแล้วก็พอพอเราคิดนี้ปุ๊บเราก็เหมือนถอยกลับมาดูลมหายใจใหม่ค่ะเหมือนเป็นแบบนี้อยู่ประมาณหนูจําไม่ได้แน่นแน่นอนอาจจะสองสามครั้งที่ที่มันเหมือนเสียงที่เสียงทําหายไปค่ะวันนั้นก็นั่งได้นานประมาณหนึ่งชั่วโมงคือนานกว่าปกติที่ตัวเองเคยนั่งปกติได้ประมาณสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะที่เหลือก็เหมือนมันกติก็ล้ว นั่งหลับแล้วคิดว่าไม่หลับนะคะ น, นั่งรู้นั่งหลับมันมีสองแบบคิดว่ า, วา <laughs> คิดว่าไม่หลับค่ะตแต่ก็ <laughs> ต้อ ง, นะองมองีความรู้สึกตัวตลอดไปแหละค่ะแต่มันเหมือนเสียงมันแบบมันเหมือนมันเหมือนโล่งว่างไปเข่าว่วางๆแล้วก็ <laughs> <ม>พอเราคิดปุ๊บเอ้ยมันว่างเหรออะไรเงี้ยก็กลับมาใหม่เหมือนถอยถอยออกมาใหม่อะไรเง <laughs> <laughs> ี้ยค่ะ ก็บาบาทีมันไม่รับรู้เสียงเวลามันจะสงบมันก็ไม่รับรู้ได้ค่ะก็ได้ก็ทําให้มากขึ้นสติพยายามฝึกสติให้มากเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานค่ะก็ก็คืออันนี้ถือถือว่าดีใช่ไหมคะหมายถึงว่าพยายามนั่งต่อให้มันสงบนั่งไม่สงบ ต่อไปจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไปเสียเงินไปซื้ข้าวซื้อของอะไรม่ต้อเป็นจะมีค่ามสงบนั่งสมาธิไปต่อไปจะรวยรวยแล้วไม่รู้สึกตัวเอ๊เงินทอนรวยหมูนี่เหลือเหลือใช้เหลือกินแหลือกันต้องไม่ได้ใช้มันเลไม่ใช้มันมันก็เหลือกินเหลือใช้ได้ถ้าไปใช้มันมันก็ไม่พอกินอะเนยค่ะเป็นคนค่อนข้างพุมเปื่อย จ่ายง่ายเหมือนกันทุกคนไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนเนี่ยมันปฏิบัติธรรมแล้ฟุมฟ่มเฟือยงนั้นเพะเป็นเครื่องอยู่ของเขาเน่ะแต่เขาไม่ได้ใช้เงินแล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขใช้เงินไปเที่ยวซื้อของอะไรต่างยเปลี่นเรื่องชอบไปเรื่อยเงินทองก็ไม่พอใช่ใชไหมค่ะ เรามืนั่งสมาธิดูแต่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเงินทองทำไมมันไม่หายไปไหนเลยวันนี้ค่ะเนี่แหละมีประโยชน์บ้างเนี่ยท่านนั่งสมาธิได้แล้วว่าประหยัดเงินประหยัดทองไว้ได้เยอะเก็บเงินทองได้เยอะค่ะต่อไปอาจจะลาออกจากงานก็ได้เอราไม่ต้องทางานก็ได้ใช่ไหมคะมีเงินเก็บไว้แล้วไปเอาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าสาธุค่ะสาธุค่ะ อย่างนราอลุ บ, บ<พ>า ล, ลนั่งสมาธิได้เราลาออกจากงานเลยลมลไม่กลัวไม่โกรธไม่กลัวเลยค่ะเหมือนกําลังใจจะดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรานั่งสมาธิไดมมม้มันมีความสุขอ่ะมันมีความสุขแล้วมันก็ไม่ต้องไปเพิ่งเงินทองอะไรต่างค่ะเพิ่งแต่เฉพาะให้ร่างกายเท่านี้เงินทองซื้ออาหารอะไร ต, ะะต่างะตามเหมือนไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาเสียนั่ไม่ไม่ไมจําเป็นนั่งสมาธิดีกว่า ไม่ติดด้วยติดก็ไม่เป็นเพศเป็นภยัยไม่เหมือนกับติดยาติดทเที่ยวติดช้อปปิง้งติดอะไรต่างาเหมือนเหมือนตอนนี้พวกนี้จะค่อยๆลดลงเหมือนเราตั ด, ต, ดตัดใจหรือตัดกลุ่มที่เราไปไปมีเพื่อนหลายกลุ่มค่ะทำให้เราต้องไปจ่ายเงินนู่นนี่นั่นตอนนี้เราปฏิเสธเขาได้ง่ายขึ้นค่ะใช่ถูกต้องสังคมเนี่ยตัวดียตัวหยเงินนะ แต่ก่อนเก่งใจค่ะแล้วมีเพื่อนเยอะเงินหมดตอนกินเยอะเพื่อนแท้มีหรอพอไม่มีเงินเขาไม่เป็นเพื่อนเรแล้วใช่ไหมค่ะเงินเอาอัตตาเหี้ยตโนนาโถดีกว่าเอาตนเป็นเพื่อนตนเองดีกว่าค่ะตนเป็นที่เพื่อนของตนไม่ได้ไว้เพื่อนคนอื่นค่ะตอนนี้ก็กลับมาให้ตัวเอง อยู่กับเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องแคร์อะไรมากขึ้นค่ะแต่เหมือนมันเราพยายามออกมาแต่เขาก็ดีนะคะแต่ว่ามันใช้เวลาใช้เงินเยอะเรารู้สึกว่ายิ่งเพื่อนเยอะยิ่งใช้เงินเยอะแล้วก็เวลาในการพักผ่อนของเรามันหายไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ไป<ม>กับเพื่อนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนู้นด้วยความเก่งใจค่ะ<ม>คราวนี้ก็เลยปฏิเสธดีกว่ายอมให้เขาแบบเอ๊ะทำไมไม่มาก็แล้วไป<ม> <laughs> เดี๋ยวเขาก็<ม><ป>ชินไงค่ะ<ม><ม>คิดอย่างนี้ ถ้าเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้เขาก็จะงเขาก็ยังโคบกับเราอยู่ถ้าเป็นเพื่อนกินเขาก็เริ่มคบกับเราชวนกิไม่ไปค่ะคช่ไหมค่ะโอเคมีอะไรไหมมีรายงานแค่นี้ค่ะแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อค่ะอันนี้ปิดเทอมนี่ทำอะไรตอนนี้เป็นงานรับปริญญาค่ะช่วงนี้มมมศจะเป็นงานรับปริญญาเพิ่งเปิดเทอมค่ะพระอาจารย์ เเป็นทมมีเจ้านายไปไปไปโปรดประทานให้ค่ะจะเป็นพระเทพค่ะพระเทพยังเสด็จอยู่นะใช่ค่ะของมมสอยังเป็นพระเทพค่ะท่านอยุมาวท่านก็ยังไม่ไม่หยุดนะท่านยังยังเมตตาอยู่ค่ะยังยังมาให้กําลังใจค่ะสาทุสาธุข้อโอเคงั้นท่านต่อไปคุณพาะสนาเชิญจากกรุงเทพ นวมศการพระอาจารย์นะคะคุณบอยและคุณหลาค่ะก็รายงานนะคะพระอาจารย์ตั้งแต่คราวที่แล้วมาก็ที่อาจารย์ให้การบ้านเนี่ยก็กลับมาทําก็คือว่าตอนนี้ยตื่นตีสามก็จะนั่งได้สองชั่วโมงกว่าก็จะคาคืคือตอนนี้ก็คือบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเวทนาหรือบางครั้งถึงถึงรู้ก็แค่รู้อะค่ะพระอาจารย์แล้วตอนตอนบ่ายก็เหมือนเดิมก็คือฟังพระอาจารย์แล้วก็นั่งฟังแล้วก็ตอนเย็นก็หนึ่งชั่วโมงหกโมงแต่ที่มีเพิ่มแบบพระอาจารย์เพราะว่า อ่านประวัติของพระอาจารย์มานะ่านนักเกือบจะจบแล้วะพระอาจารย์ก็ฉันก็จะพู่งหลพระอาจารย์เลยสติสำคัญในเรื่องของสมาธิสตสิสำคัญเรื่องของปัญญาก็เลยเนี่ยพระอาจารย์มีเอานาฬิกามาใส่ตั้งนาฬิกาปุ๊บทุกชั่วโมงพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บก็นั่งภาวนานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ่ะพระอาจารย์คือตั้งใจว่าเอ๊ะเราจะต้องเพิ่มพยายามเพิ่มสติเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดสติมากมันน่าจะทําให้เราใช้ปัญญาเราที่พระอาจารย์บอกได้นะคะก็เลยเลยเพิ่มก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามัน กำลังพยายามตั้งใจให้เป็นเป็นส ต, ติตลอดนะคะพระอาจารย์เพราะว่าต้องการอั ป, ปนาสมาธิแล้วก็มีคําถามนะคะพระอาจารย์คือพระอาจารย์บอกว่าให้ใช้ปัญญา อ, อ๋ออีกอีกอกันหนึ่งคือตอนที่พระอาจารย์เทศบาทิศนะคะโอ้โหแบบชอบมากๆเลยแลคือพอฟังแบบพอฟังอย่างตั้งใจอย่ามันมันมันเหมือนเข้าใจนะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พระอาจารย์พูดเรื่องไตรรักษ์เรียนจ า, าสตร์บราลทิศที่ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะแล้วมันเหมือนกับได้รับที่พระอาจารย์ส่งมาเต็มเต็ม้องข อ, ขอบคุณพระอาจารย์มากมา มีคำถาม น, นะคะว่าคือพระเจะ้าหลวงว่าให้ใช้ไตรักเนี่ยให้ไตรักเนี่ยให้ตัดร่างกายก่อนสมมติถ้าตัดร่างกายปุ๊บเนี่ยก็คือก็คือให้อันนี้ร่างกายก็คือเป็นไม่ใช่ของเราเราตัดร่างกายออกไปแล้วเนี่ยให้เราตัดทีละอย่างใช่ไหมคะแต่ว่ากีเลสมันจะมีโลคโปรดหลงสแสดงว่าเราก็ต้องเอาไตรักเนี่ยตัดความโลค ก, ก่อนแล้วก็ค่อยมันตัดความโกรธแล้วก็มันตัดความหลงอย่างนี้หรือเปล่าคะคือกําลังพิจารณาไปเรื่อย ที่พระอาจารย์บอกตลอดจตุสมาธิอะค่ะอ๋อความจริงตัวที่เราต้องแต่ก็คือตัวความอยากเนียตัวความโลภความอยากสามประการความอยากนีหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นไม่อยากยากจนไม่อยากเดือนร้อนไม่อยากตกงานไม่อยาก แก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องตัดความไม่อยากเหล่านี้ให้มันหายไปแล้วความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงา ม, มอยากมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็ต้องตัดหนึ่งก็ต้องยอมดูสภาพความเป็นจริงอย่าไปอยู่กับความอยากมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องยอมรับว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไป ให้พอใจกับฐานะเราเป็นอยู่อย่าไปอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากไปเป็นผู้แทนอยากจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันหรือเป็นอะไรสุดแท้แต่หรือถ้าอยู่ในวงการก็อยากจะเป็นเจ้านายไม่อยากจะเป็นลูกน้องอยากเป็นหัวหน้าคณะนาทิดบดีเป็นอะไรต่างๆเขาไม่ได้อยากไปอยากอยากแล้วทุกพออยากแล้วมันเวลามันยังไม่ได้มัน้าใจก็ เกษร์เกสน์กังวลกังวายได้มาก็ยืดกลัวจะเสียเดี๋ยวเวลาถูกโยกย้ายด้วยถูกปวดก็เสียใจแต่มีได้เขาจะตั้งก็ปล่อยก็ตั้งไปเขาจะปวดก็ปล่อยก็ปวดไปแต่เราไม่ได้มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเขาตั้งมาก็ให้เขาตั้งไปเขาปวดก็ปล่อยเขาปวดไปเราอยู่ในโลกของของที่มี มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาโลกธรรมแปดลาบยศเสรเสริญสุขต้องมีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนะให้รู้ทันสิ่งเหลนี้เราจะได้ไม่ทุกข์อันนี้คือกิกเลสส่วนใหญ่ท้องคนในโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ก่อนอได้ลาบยศเสรเสริญสุขกันแต่ไม่มองว่ามันเป็นของไม่เที่ยง ม, มันมีเสื่อมเจรยยิญลาบก็ต้องเสื่อมลาบได้วันในวันหนึ่งยศ เสื่อมยศสรรเสริญก็กลายเป็นนินทาสุขก็กลายเป็นทุกข์เนี่ถ้าใจไม่มีความอยากมันก็เฉยเฉยทั้งวายามทําใจให้เฉยเฉยเป็นเหมือนหยดหน้ํำบนใบบัวได้ลาบยศสรรเสริญมากก็ไม่ดีใจเสียราบยศสรรเสริญไปก็ไม่เสียใจนี่ต้องตัดความอยากต้องใช้ปัญญาพิจารณา ตายรักไม่เที่ยงในของที่เราอยากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากได้แฟนนึกมีแฟนแล้วก็อยากจะให้แฟนซื่อสัตว์เดี๋ยวแฟนแอบไปมีหนูที่ไหนก็เสียใจอีกมันจะไปก็เรื่องของมันไปห้ามมันได้ยังไงคนมันจะเร็วไปห้ามมันได้ยังไงใช่ไหมเราอย่าเร็วตามเขาว่าแล้วกัน ไม่ใช่ก็มีหนูแล้วก็เป็นมีอหนูก็เข้ามั่งนี่ดึงอาจจะโชคดีพระอาจารย์พวกนี้ไม่มีเลยเพราะแฟนนี้ก็เดี๋ยวตัวเองทําได้ก็จะดึงเขาเข้ามาลูกก็เหมือนกันพระอาจารย์คือปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาการงานก็ไม่มีปัญหาคือคือรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรก็เลยก็เลยตั้งใจในการปฏิบัติทํรมพรอาจารย์ก็ดูตัวไหนเป็นปัญหาตัวนั้นน่ะมันมีความอยากในตัวมันน้ำมันน้ำมันน้ำอยากตัวไหนตัวไหนเป็นปัญหามันมันมีความอยากเป็นต้นเหตุใช่ไหม ติดดีพระอาจารย์เนี่ยรู้เลยแบบคือแบบชอบสรรเสริญติดดีก็พยานแต่ตอนนี้จะตัดตัดล่างศั ก, กยะทยัติขึ้นถ้าจะตัดกายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่กลัวเจ็บแล้วก็เรื่องของความตายบางทีคือเคยผ่านเกือบตายมาก็มันก็ทําใจได้นะพระอาจารย์ขึ้นเครื่องบินเกือบจะตกก็ก็คือพอพอเครื่องบินจะตกก็รู้สึกว่าเออคงตายแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ตกคือรู้สึกว่าเรื่องของความตายของตัวเองนะพระอาจารย์ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ว่าเอาอาจจะยังติดความหลงเรื่องของลูกอะค่ะคือยังเป็นห่วงลูกอยู่เก็ยังเป็นลูกอยู่ยังไม่ใช่อยังเปยังเป็นของเราอยู่ลูกคนหนึงไม่ไม่ห่วงใช่ไหมฮะมีมีเราอยู่ไม่พระอาจารย์เพราะตอนทํางานนี่คือเราดูแลมีลูกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาให้เราช่วยดูแลแบบลูกของเพื่อนเทุกคนเป็นร้อยร้อยคนพระอาจารย์แล้วก็ช่วยดูแลลูกเพื่อนเหมือนลูกเรานะพระอาจารย์เราไม่ได้ลําเอียงเรายังทํางานแต่ไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงเหมือนห่วงไม่ห่วงเหมือนกันใช่ไหมใช่ ถ้าเราไม่เป็นถ้าเราไม่เป็นของเรามันไม่ยึดอ่ะแต่ถ้าเป็นของเราแล้วมันยึดมันทุกข์แสดงว่าอันนี้ก็คือยังละสักยามไม่ได้ใช่ไหมนะถ้าสักยามต้องต้องละทั้งของต้องละตัวเองแล้วก็ละลูกละสามีด้วยใช่ไหมคะหรือว่าละตัวเองเพื่อต้องมองตัวเราเหมือนเร า, ม, รามองคนอื่นนะก็เหมือนเมื่อละการไม่เราไม่ใช่ของเราก็เหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนไหยเขาเจ็บตอนนี้เขานอนโรงพยาบาลเป็นมะเร็งจะตายเราเดือดร้อนไหมไม่เห็นเดือดร้อนใชย เวลาร่างกายของเราไปนอนโรงพยาบาลเป็นมาเลยก็ต้องไม่เดือนร้อนเหมือนกันนั่นแนหะถึงยลละได้จริงๆก็เหลือหนเข้าใจกันหน้าที่ก็คือทำอัปนาสมาธิกับสติสติเออพราะว่าพระอาจารย์มั่งก็บอกคือตัวเอรู้สึกโชคดีนะพระอาจารย์เพราะว่าอ่านของบวชพระอาจารย์มันงหูแบบคือแบบเราโชคดีมากมีพระอาจารย์คอยแนะนาถ้าทำแบบนั้นสงสัยแย่แน่เลยตัวเองเสร็จแน่ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากมเลยค่ะเดี๋ยววันสุกรวันสุกจะไปนะคะพระอาจารย์แล้วก็เตรียม เตรียมพวกน้ำเพราะดูว่าพระอาจารย์ต้องเทศนานมากเลยก็เลยบ่าเดี๋ยวจะร้องกล้วยไปเดีแต่ชงร้อนๆไปให้พระาอาจารย์เดลยเอามาเราพอแล้วเอามานะเกดก า, าอเอามาเป็นภาระ ก, กับเราอีกว่าเราจะต้องรักษาธาตุขันนี้นะพระอาจารย์ห้าวั น, วน<า>เรามีน้ำนำนํำเรามีน้ํำดื่มของเราพอแล้วเอามาเราเกิดกาที่เดี๋ยวไม่มีที่วางนะแล้ว<า>ไม่ต้องเอามานะสาธุโมนทนาเอาไปให้คนที่ก็ไม่มีดีกว่า เรื่องคนที่ไม่มีนี่ค่ะเรามันน้นเหลือล้วคิดไม่ฟางไม่ไหวคะโอเคไม่ได้ลังเกียจ น, นะแต่ก็มาตรงมา <c oughs> ดีค่ะวาอาจารย์เพราะว่าจริงๆคือเพราะที่ที่ฟังอาจารย์ครั้งแรกเราชอบเลยเพราะว่าพระอาจารย์ตรงๆเนี้ยชอบมาแล้วมันเข้าใจง่ายอะพระอาจารย์คือมันตรงแล้วมันก็ง่ายในควางฟังพระอาจารย์มัน มันเหมือนกับแบบเอ้ยมีแสงสว่างแบบคือพอฟังพอไปฟังเนี้ยมันมันสัมผัสได้เลยพระอาจารย์วนนั้นก็ร้องไห้แบบโอ้โหพระอาจารย์วันอาทิตย์รู้สึกแบบมันเข้าไปถึงข้างในก็เลยเปิดเปิดซ้ำรอบๆเลยนะเปิดเป<ด>ิดซ้ำหลายรอบเลยพระอาจารย์บอฟังว่าเอ้ยมันต้องทตรงไหนต้องทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะอย่าดีถูกต้องต้องศึกษาต้องดูว่าเราทาได้หรื อ, อยังค่ะดีทาต่อไปนะอย่าทอดท้าเบื่อห น, อออนาครับอาจารย์คุณค่ะคต่อไปท่านคุณสุพัฒน์ สวังจะพสดีครกับพระอาจารย์แล้วก็หวัดดีพี่ๆทุกท่านครับฟังครับฟังครับอยู่ที่ไหนลพบุรีครับอลครับขอถามหน่อยนจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างจะได้ครับท่านต่อไปคุณวิไลคุณวิไลจันทร์ทุเลนทูรู้สึกว่าปิดกล้องอยู่ปิดเอาอะไรปิดหน้ากล้องอยู่นี่ผ่านนะ แสดงว่าไม่ต้องการพูดไม่ต้องการจากความอย่างเดียวคุณเอกคุณเอกจากเชียงรายกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมอ่าเป็นยังไงสบายดีเหรอรับสบายดีครับพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะครับอ่าครับผมวันนี้เอ่อผมมากราบรายงานการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ก็ยังอยู่ในรูปแบบเหมือนเดิมนะครับ ช่วงเช้าก็ตื่นตีสี่ปฏิบัติก็ถึงหกโมงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ปฏิบัติประมาณหกโมงคึ่งถึงสามทุ่มเกือบสามทุ่มครับพระอาจารย์แล้วก็เอจะมีจะมีบางวันที่ปฏิบัติครับพระอาจารย์ตอนที่เดินจงกรมครับพระอาจารย์มันเหมือนเราผมก็ขวาพูดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เออมัน ก็เดินไปเดินมาแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนหุ่นยนต์จังเหมือนเหมือนแบบมันมันแวบมาว่าเอ๊ะมันเหมือนหุ่นยนต์มากเลยมันเดียวขวาซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยพระอาจารย์อย่าไปสนใจเรืความรู้สึกมันก็ไม่จำเป็นสนใจอย่าไปอย่าไปให้มันหลอกเราเดี๋ยวมันหลอกให้เราไปคิดต่อเราไม่ต้องการให้มันคิดอะไรนะอยู่กับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาพูดโทรไปอย่างเดียวข้าบุมข้าบุม ถ้าจะคิดต้องรอให้ออกจากการเจริญสติก่อนถ้าเราต้องการเจริญสตินี่เราอย่าไปคิดอะไรอ๋อครับอนช่วงที่เดินดุกรมนะครับพระอาจารย์เ อ, อ่ออะอย่าไปคิดอะไรอืมครับผมนอกจากว่าถ้าเราจะคิดทางปัญญาก็ได้แต่ถ้าสติเรายังไม่มีกําลังพออย่าเพิ่งไปคิดทางปัญญาเด็ดขาดอยากขับสติให้ได้ อ, อัปนาก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปคิดทางปัญญาครับผม ฉน้นการเจริญสติมันจะไม่มีพลังที่จะทําให้จิตเข้าสู่ภปวนาสมาธิได้ต้องเจริญสติแบบไม่คิดนะถ้เาจเจริญสติแบบคิดมันถึงแม้จะเป็นปัญญามันก็เป็นจินตามายาปัญญามันไม่เป็นภาวนาไมยาปัญญาโอ๋อครับผมมันไปตัดกิเลสไม่ได้ยังฆ่ากิเลสไม่ได้ครับผมรู้ต้องฝึกสติไปก่อนนะครสติไปก่อนให้จิตรวมเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อน ให้อยู่สมาธิได้นานๆก่อนให้เรามั่นใจว่าเรามีสติมากนี่นี่เราออกจากสมาธิมาแล้วก็อยากจะพิจารณาร่างกายว่าเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ร่างกายมันก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งนี่เองคืออะไรแต่ว่ามันเป็นตุ๊ต ก, กตาที่มีจิตมามาเส็งอยู่เนื้อมาเกาะติดอยู่มาเป็นพู้สั่การให้มันทําอะไรต่างๆ อย่ตัวตัวมันเองมันก็เป็นหุ่นเนี่ยตามันก็ตาลูกตามันก็เป็นลูกตาเราถ้าเป็นหมอเราแกะลูกกระตามาดูมันก็เป็นลูกตาฟันมันก็เป็นฝันมันไม่มีความรับรู้อะไรใช่ไหมของพวกนี้ความรับรู้คือจิตที่มาก่อติดอยู่โดยผ่านทางกระแสของวิญญาณห้าหยับขบวิญญาณโสตะวิญญาณอะไรเนี้ถ้าจะคิดคิดอย่างนั้นตอนที่เรามีอัปปนาสมาธิแล้ว เราจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันเพ่งแค่เป็นเป็นจกตาเป็นหุ่นจริงๆเป็นครับเราเป็นคนเหมือนคนคนสั่งหุ่นคนคนเป็นคนใช้หุ่นคนเป็นคนสั่งให้หุ่นยนต์ทําอะไรต่างๆครับผมเวลาหุ่นยนต์เป็นอะไรเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนร่างกายมันเป็นหุ่นยนต์ครับผมเหมือเหมือนกับหุ่นที่เขาคู้ระเบิดเนี่ยทําไมคนไม่ไป กู้ระเบิดเองอ่ะเพราะกู้เดี๋ยวเกิดระเบิดระเบิดตูนคนจะ่ไปกู้ก็ตายใช่ไหมเขาเลยต้องทําหุ่นกู้ระเบิดหุ้มเกาะอให้มันเข้าไปกู้ระเบิดชนคนควบคุมก็อยู่ไกลๆใช่ไหมถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมามันก็ระเบิดที่ที่หุ่นแต่คนควบคุมยังอยู่จิตเราก็เหมือนคนควบคุมร่างกายอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่โลกทิพ เนี่ไม่ต้องกลัวร่างกายเป็นอะไรมันไม่ไปไม่ถึงโลกทิพย์มันไปมันไปถึงมันไม่มันไม่ถึงตัวเราเไม่ไงตายแต่ ร, ร่างกายแต่เราผู้ควบคุมร่างกายไม่ได้ตายเป็นธรรมเนี่ยถ้าจะใช้ปัญญาต่อไปอแต่ถ้ายังไม่มีอาาัปปนาอย่กไปคิดให้เสียเวลาคิดก็ทําก็ยังเยื่อยู่นั่นแหละก็ยังเยื่เป็นตัวเราของเราอยู่นะ่นเพราะมันยังไม่ได้แยกมันต้องแยกด้วยอัปปนาสมาธิก่อนอ๋อครับผม ครับผมแล้วก็ช่วงนี้แบบว่าเออมันจะตอนตอนนั่งสมาธิอาจารย์มันมีความรู้สึกว่าตอนที่มันเบาแล้วมันแบบว่ามันมันเหมือนจะร้องไห้ครับอาจารย์แบบเหมือนน้ำตามาคลองอย่างเงี้ยครับเิติเตก็เรียกปิติเกิดบ่อยมากครับพระอาจารย์อย่าไปสนใจอย่าอย่าไป <c oughs> ทุกครั้งนะครับให้อยู่ที่พุโธอยู่ที่ลมไปนะเดี๋ยวมไม่งั้นมันก็จะไปไม่ไกลมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นเราต้องผ่านปิติเข้าไป ผานพิติผ่านสุขเข้าไปสู่เบขาต่อไปอืมแล้วบางวันพระอาจารย์ตอนนั่งสมาธิบางวันแบบว่าหูหูจะเอื้อครับพระอาจารย์หูทัดขวาจะอื้อไปเลยนะครับมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันไม่ต้องโอ้ครับผมแล้เราดแล้วก็ปล่อยวางกลับมาดูลมต่อไปอยากไปสนใจอะไรนั้นบางคนก็คิดว่าตัวตัวเองพองขึ้นมาบางคนก็คิดว่าตัวหดนัมันมีหลายแบบจิตมันหลอกจิตมันหลอกนะฮะจิตมันหลอกให้ลรา เห็นแล้เป็นนู่นเป็นนี่อ๋อการหูเกิดปิตินะครับอืออืมเพราะว่าผมเอ่อวันพระที่ผ่านมานี่ก็ถือศีลลุโบสถครับพระอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะเริ่มถือไปทุกวันพระครับทุกวันพระเพราะว่าเออปกตินี้วันพระกับวันวันเกิดนะฮะที่ผมเกิดก็ผมว่าจะกินมังสวิรัติอยู่แล้วนะครับอืมก็ พอช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าพระาอาจารย์เออเขพยายามไปจะ ด, ดูล่างกายฮรเพราะว่าตอนนี้ทางภาคเหนือมาอากาศเย็นใช่ป่ะพระอาจารย์ผมว่าพยายามไม่อาบน้ำอุนอ่นเ ง, งี้ยอาบน้ำเย็นเ ง, งี้ยผบอกว่าเออถ้าโดนน้าเย็นก็ร่างกายมันดอนเราไม่ได้โดนอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ด้วยพยายามฝึกไปครับถ้าไปอยู่ที่ไม่มีน้ําเย็นไม่มีน้นําอุ่นจะทำยังไงครับใช่ครับ เ, เพราะว่าเพรา็น้ําอุ่นมีอยู่แต่ไม่อาบนะาาอาจารย์ก็ไมาอาบก็ได้เอามาลุ่มลตัวก็ได้ไม่เห็นจะมันจะต้องอาบเลย ทำละแค่เอาเซ็งสักกลิ่นเหมอนออกจากร่างกายนั่นเองถ้ามันเย็นมากก็ไม่ต้องลาดมันมากนามารูบๆ่อยแต่ในช่วงช่วงที่ลาดก็มีมีแบบว่าห้องผู้ทำบนอะไรไปด้วยนะครับให้ให้มันลืมไปครับให้มันเป็นรูเบกขาแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับความเย็นของน้ำที่มาสบายกับร่างกายก็ดีก็ฝึกฝึก ฝึกสต la like, ิไปพูดโทรไปเวลาอางน้ําเวลาผมเย็นมากๆพุดโธรลองอย่าไปใช้น้ำอุ่นด้วยครับผมก็ไวลแก่ก็เย็นนะเย็นใจด้วยกันถ้าอย่างมนี้ยังเป็นหนุ่มอะไรเราต้องทระหนักเราต้องฝึกปล่อยว่างร่างกายอย่าไปอย่าไปอะไรมันมากเกินไปเลี้ยงมันแบบเลี้ยงหมาอย่าไปอาบน้ําหุ่นให้หมาแบบไหน แล้ว <laughs> <c oughs> เออแล้วก็เวลาเวลาช่วงที่ปฏิบัตินี้ลมหายใจนี่มันสําคัญมากเลยนะครับพระอาจารย์ผมไปคิดดูนะครับเพราะว่าออถ้าเกิดวันไหนไม่หายใจมาองเงี้ยยังไม่ถึงขั้นไหนเงี้ยโอ้มันมีความหมายมากเลยนะครับพระอาจารย์นั่นแหละมันไม่เที่ยงเลยท่านให้เป็นเจรนาชีวิตเรามันมันมันยืน อ, อยู่บนเส้นได้นะ ครับผมมันจะขาดวมื่อไหรนี่ยไม่รู้นะมันสําคัญมากลมหายใจโอ้จะได้ไม่ปรมาจะได้รีบปฏิบัตินะครับผมใช่ครับพนี้ก็คิดมาโอ้ตายละจะนอนก็คงนอนไม่ได้แล้วเพราะเวลานอนคงไม่มีอย่างเงี้ยครับต้องตื่นมาปฏิบัติอย่างเงี้ยครับไปขั้นท่านต่อไปนะครับผมกก่อนนะครับผมกับขอบุญพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับพระอาจารย์คุก้าวทุกครับคุก้าวมาจากเพชรบุรีนะครับนรมาสการพระอาจารย์ครับ เอ่ามีอยู่สองสามคำถามครับอพระอาจารย์เคาเพราะนั้นวันอังคารนะครับฟังอฟังพระอาจารย์ตอบคําถามครับว่าที่เขาอยู่ไกลจากพ่อแม่ครับแต่ว่าจะดูแลพ่อแม่ด้วยการที่พระอาจารย์ให้ส่งเงินไปอย่างนี้ครับเพราะว่าอย่างผมนี้ผมเกิดผมเรียนอยู่อย่างนี้ยครับแล้วก็อยู่ไกลพ่อแม่อยู่เหมือนกันนีะครับแล้วเราจะตอบตอ บ, ตบมี ดูแลสอบแทนพ่อแม่ยังไงถึงจะดีที่สุดครับก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้มันสําเร็จนั่นเลยเรียนใ้ได้คะแน น, นดีเขาส่งเราไปเรียนเนี่ยเราอยากไปไทะเลาะทะเลาอย่าไปเที่ยวไปเน้นพยายามเอาเกดดิดีๆมาให้พ่อแม่เขาเห็นเขาจะได้ชื่นอกชื่นใจอือันนี้ยังไม่ต้องไปกังวลเล่งดูขงเาขาหรกเขาก็เลีงดูเราอยู่ตอนนี้ต้อง <laughs> ร, รู้สถา น, นรู้เวลา ต่อไปเขาแก่แล้วต่อไปนะเขาช่วยตัวเองไม่ได้ตอนนะั้นแหะเราต้องไปดูแลเขาแล้วนะครับหมายถึงว่าแบบเราคนจะกลับบ้านไปหาเขาบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็กลัไปเอาเงินไม่ได่แล้ทุกครั้งเวล้วปเทมเวล า, วล า, วลาไม่มีค่าเทอมมันก็ต้องไปบ้านไม่ใช่เขาเขาโอนมาครับพอาจารย์ครับอโอนม า, าถ้าไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องไปก็ได้ไปก็เสียเงินเสียทรรมหมดเป ล, ล่าค่ารถค่าลาอะไรเดี๋ยวนี้สมายนี้โทรคุยกันก็พอ ครับถ้าเราถูกข์สุขดิบถ้าจําเป็นจะต้องไปก็ไปถ้าไม่จําเป็นก็โทรคุยกันก็พอครับไม่แม่แม่เขาคิดถึงอยากจะเห็นหน้าเราเขากลับไปบ้างก็ได้ให้เขามีความสุขอืครับอย่างสมัยนี้เราโชคดีเราสามารถโทรได้ส่งภาพได้เห็นหน้าเห็นตาเันได้ไม่รู้จะต้องไปทําไมครับแม่เขาแม่เขาบอกคิดถึงมาก ก็ย่งเขียนยิ่งก็เนี from, himself, ่ยก <a> <everything> so ็ก <Right. S 2> e ็ส <cor> ่งเนี่ยไปซูมไปก็แล้วกันมากแม่เปิดซูมผมเปิดซูมก็คุยกันได้เลยครับผมว่าคุยกันอย่างนี้แต่แม่เขาก็อยางอยากอยากให้กลับแ้วบางทีมันมีโควิดอะไรเงี้ยผมก็เซิงเซงเหมือนกันครับตอนนี้ไม่ปลอดภัยต้องอยู่กับที่ครับคพักผ้าจะับแล้วก็ออย่างธุรกิจขายขายอาหารสัตว์เนี่ครับขายอาหารหมูี้ครับคือขายไป ไห้หมูที่เขาจะเอาไปฆ่าต่อไปเนี้ยไ<ม>ต บ, บแล้วไม่แบบปเป็น<อ>ของกินกินเข้ากินคนฆ่านะที่บาป บ, บางคนก็อาไปเลี้ยงแล้วเขาไม่ฆ่ากระหม่อมใช่ไหมบางคนเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงแบบด้วยความเมตตาไม่ได้ฆ่าเช่นอาหารหมานคนที่เลี้ยงหมาก็ไม่ได้ฆ่าหมาครับแต่ผมเอ่อเป็นทัศนคติของผมของบ้านผมนี่คือเมื่อก่อน ส่งไปที่แบบเล้าหมูโดยตรงเลยเงี้ยมัไม่เป็นไรหรอกมันอย่าไปให้มันไกลเกินไปนะเดี๋ยวถ้าไกลเกินไปเนี่ยทําถนนก็ไม่ได้นะทําถน น, นีจยคนขับรถชนกันตายบนทางถนนนะอ๋อครับใช่ไหมใช่ครับมนไม่ใช่เรื่องของเราอาหารมันเป็นอาหารมันไม่เป็นยาพิษเนี่ยขายยาพิษไม่ได้นะขายยาพิษไปเบื่อหนูไปอะไรอย่างเงี้ไม่ได้หรือสารที่จะไปฆ่ามแมล ง, งนี้ไม่ได้ ขายอาหารนี่กินเป็นประโยชน์ส่วนไอ้ตัวที่กินแล้วมันจะไปถูกฆ่ามันก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเล้วเห็นคนทาอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างมันต้องเดี๋ยวก็ต้องมีคนตายนะเป็นวิศวกรก็ออกแบบไม่ได้ออกแบบสร้างบ้านแล้วบ้านถล่มลงมาคนตายใช่ไหมอีอ่ผมคิดคิไกลไเกินไปให้คิดมันแก้ไกลบางทีคิด อัี้ผมคิดใกล้ๆอย่างที่พระอาจารย์บอกจริงครับแล้วมันก็รู้สึกสับสนหนึ่งกันครับบางคนก็จะบอกกินเนื้อไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้เพรากินเนื้อสัตว์ไปส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์มาขายนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรลต่อไปมันทุกอย่างมันอยู่มันอยู่ในโลกนี้มันเกี่ยวข้องกันเอาเอาเฉพาะการกระทําที่ใกล้ตัวของเราที่สุดก็แล้วกันเราทําอย่างนี้แล้วทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่ปาถ้าไม่เสียหายเดือดร้อนก็จบ ส่วนก็ครับคนสร้างเครื่องบินก็ ด, นดาวดาเวล้วครืงบินตกใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่มีเครื่องบินคนยังทำไม่ตกเครื่งบินเงี้ยมาครับผมนะเอาแค่แค่เฉพาะช่วงของเราก็แล้วกันช่วงที่มันถัดไปนี้มันไม่ใช่เรื่องของเรานล้วยังก็ทํามีดขายไม่ได้ผลิตมีดออกมาไม่ได้ก็หัน่นตัดต้นไม้ไม่ได้ทำํำ ก็เดี๋ยวเอาไปฆ่ากันเอาไปแทงกันนี้ครับผู้ใจนะอพายท้าครับมีคําถามสุดท้ายครับเพะว่าเมาื่นที่ผมอย่างไปเรียนหนังสือเนี่ยครับนี่ผมก็อไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนเราพิจารณาหรือว่ามันมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรู้หรือว่ามันเป็นปัญญาหรือว่ามันเป็นความทรงจําที่เราจำมาอย่างนี้ บาทีเระมองบาที่มองมองคนมองอาจารย์มองเพื่อนเนี่ยครับบางทีล้วก็พิจารณาให้เป็นแบบอ่าวัยวะข้างในแล้วก็โครงกระดูกเนี้ครับทําไมก็ไม่แน่ใจว่าเราเพราะมันเป็นความทรงจําหรือว่าเป็นไม่จำเป็นต้องไม่ต้องไปร่วมันเป็นอะไรแล้วก็ดูเพื่อให้เห็นความจริงนั่นเองเห็นควาจริงได้ก็ดีเห็นโครงกระดูกได้ก็ดีเห็นตับตายไส้พุงก็ได้ก็ดี แต่กุมาตอนเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมามันมันมองไม่เห็นนัสิแล้วามมองเห็นตอนนี้ไม่มีอารมณ์นะใช่ครับแล้วก็เลยกิเลสบรรดาจลิตมันหลอกแล้ว่าเวลามีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่พอเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมามองไม่เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันต้องเห็นตอนที่มีอารมณ์แล้วหยุดอารมณ์ได้ถึงจะเป็นปัญญาอืมคราวนั้นก็ทีกาเป็นสัญญาอยู่ครับตอนนี้จําได้เนี่ยพอแต่ช่วงมีอารมณ์จําไม่ได้ใช่ไหม ครับแต่ก็มันพิจารณาไปเรื่อยๆต่มไปมันจะได้จำได้ต่อไปเวลามีอารมณ์ก็นึกขึ้นมาได้ก็จะได้เป็นปัญญาได้ครับถ้ายังปัญญาเหมือนเหมือนเป็นยาปัญญานี่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเวลาที่ร่างกายไม่สบายถ้าร่างกายสบายกินยาเข้าไปมันก็ไม่มีผลอะไรต่อร่างกาย งอ้น mm hmm. เวลาไม่เกิดกิเลสมีปัญญามันก็ไม่มันก็ใช้ใช้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่กิเลสมันไม่มีแต่เวลามีกิเลสหาหาหาปัญญามาทันหรือเปล่าอ mm ือ hmm. เราจึงต้องเตรียมปัญญาไว้ก่อนพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว เ, เดี๋ยวเวลาไม่สบายใจก็จะได้ใช้ปัญญามาดับได้ครับแต่มัน ถ้าเราพิจารณาล่วงหน้ามันก็จะได้น้อยกว่าที่เราจะเจอทุกข์จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์อ่ามันก็เตรียมยาไว้ไงหรือก็วิ่งไปหายาตอนที่ไม่สบายแล้วเช่นเรามียาสามัญอยู่ในบ้านใช่ไหมยาแก้ปวดยานั้นพอเป็นก็ไม่ต้องเกิดมันเป็นเวลาดึกๆเด่นๆอะไรนี้จะกินไม่มียากินนะอืมปัญญาก็เหมือนยาเราต้องเตรียมไว้ก่อนครับผมับมันพิจารณาอยู่เนืองๆพรเจ้าบอก พิจารณาสุภะพิจารณาอนิจจังอยู่เนืองๆกัดแก่เจ็บตายพิจารณาหน้าตาไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราพิจารณาอยู่เนืองๆให้มันจําได้เราเดียถึงเวลามันจะต้องใช้จะได้มาปุ๊บปั๊บสัเรียกกันมาได้ทันทีครับโอเคนะพี่ครับท่านต่อไปคุณโยมจากเลี้ยนมันเชื่อแนะล้วลนะืมไปแล ชอินทร์นามัสเตมค่ะยมชือช่อเวลาศรีนีค่ะวันนี้เป็นยังไงนอนหลับไหมยั ง, ย, งยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ายมก็รับมือ ก, กับมันได้ดีขึ้นค่ะคือไม่สนใจมันนะคะแต่ยมคิดว่า พ, พอเราไม่สนใจมันแล้วเราเราคุมมันได้ดีกว่าเดิมนะคะความรู้สึกยมะค่ะอย่าไม่อยากให้มันหลับเันถ้ามันไม่หลับก็ไม่ต้องหลับค่ะค่ะ นันปฏิบัติธรรมนี้เขาชอบนะเวลาไม่หลับเนี่ยจะได้ปฏิบัติธรรมได้ค่ะแต่โยมยังติด ก, กะกายอยู่ค่ะถ้ามันไม่ได้นอนมากๆมันก็เคลียเหมือนกันค่ะท่านออถ้ามันเคลียเดีมันก็หลับเองเอะเคลียร์ตอนที่เราต้องทํางานมันมัถึงเป็นปัญหาทําเคตอนที่เราไม่ทํางานมันก็สบายก็หลับได้ช่งนี้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเขาล็อกดาวน์เมืองอีกรอบนั้นค่ะอีกสองวันเนี่ยค่ะเขาจะล็อกอดาวน์เขาก็ให้ ทุกคนที่ทํางานจากบ้านได้เก็บข้าวเก็บของเตรียมพร้อมทํางานจากบ้านคะ่ะโรงเรียนก็จะปิดแล้วอ่ะคะ่ะามันระบาดก่อนคริสต์มาสใช่ค่ะปิดก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็หยุดคริสต์มาสใหม่คิดเขาถึงจะเปิดนะคะเพราะว่ามันระบาดหนักนะคะใช่มันเริ่ม <c oughs> เป็นไปเกือบทุกประเทศแล้วเมืองไทย <c oughs> เราก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วแต่ยังยังน้อยอยู่ค่ะ <c oughs> ท่านพระอาจารย์คะยมมีคําถามค่ะ คือจริงๆแล้วโยมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะเลยนะคะโยมก็จะปฏิบัติอย่างเดียวอะไรเงยค่ะโยมได้ยินท่านพระอาจารย์พูดหลายทีแล้วค่ะกับอท่านผู้ฟังคนอื่นนะคะที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าก่อนจะพิจารณาอะไรน่ะให้เข้าถึงอัปปนาสก่อน ส, สภาวะนั้นมันเป็นยังไงละคะท่านพระอาจารย์ก็เนี่ยนางสมาธิไปจิตรวมสงบนิ่งก็เป็นอัปปนาสมาธินิ่งนานๆไม่มีอะไรว่า จิตว่างปัสจาความคิดปัสจาอารมณ์ปัสจาอะไรนาเนื้อแต่ศักแต่ว่ารู้อยอมจะไปรู้ตรงจุดเดียวอะคะ่ะท่านพระอาจารย์รู้อยู่ตรงนั้นนะคะไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ลอยลอยอยู่ยมควรจะใช้ดูลมดีกว่าดูลมเนื้อพุโทโธดีกว่าพอจุดลอยลานี่มันเป็นจุดมัน มันไม่ได้ทําให้จิตเราสงบเต็มที่เรามาดูลมดีกว่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูลมอนาปนะสติดูที่ปลายจมูกเนี่ยแม่อ่าจสติปัฏฐานสี่ดูบทแรกก็สอนให้ฝึกอานาปนาสตินั่งดูลมหายใจเขา้าโยมจะอ่านหนังสือน้อยมากเลยค่ะหมายถึงหนังสือธรรมะนะคะใช่โยมก็เลยอพอเริ่มมาคุยอ่ะ ตั้งคำถามกับท่านพอาจารย์ใช่ไหมคะยมก็เริ่มอ่านประวัติของท่านพระอาจารย์แล้วยมก็เจอความบังเอิญอีกอย่างหนึ่งนะะท่านพอาจารย์ท่านพอาจารย์เขียนถึงหนังสือปัตญาของของเอ่อนักปัตยาเยอรมันท่านหนึ่งแฮมันเฮสซาค่ะแฮมันเฮซาสิทถาค่ะหนังสือเรื่องนี้ค่ะเป็นของขวัญชิ้นแรกที่พ่อบ้านของโยมซื้อให้ยมค่ะท่านแต่โยมว่าสนาไม่ถึงตอนนั้นเลยหยิบมาอ่านสีห้าค่ะระวางเลยค่ะ ว่เรื่องปรัชญาเป็นเรื่องของการใช่คะเรื่องของการคิดว่าจะอยู่ทางโลกดีหรืออยู่ทางธรรมดีใช่ค่ะมยมได้หนังสือเล่มนั้นมาตอนอายุยี่สิบอะค่ะตอนนั้น<ม>เราเป็นเหมือนกับยังอายุน้อยทั้งคู<ม>่ค่ะเขาซื้อให้ยมอ่านเราจะยังไม่สนใจทาทำวรายังไม่สนใจคะ่ะถ้านนึกอยู่ในใจโอ้วาสนาเราทำไม่ถึงถ้าเกิดเราสนใจอ่านจนจบแล้วเราเข้าใจเราอาจจะไม่แต่งงานเลยก็ได้ ตอนนี้ได้อะไรยังนะตอนนี้ได้อะไรยัง <S <S หนังสือเล่มนั้นหายไปแล้วค่ะอาจารย์ยมย้ายที่เ็อ๋ อ, อมันมีทายอยู่ออนไลน์น่าจะยมยจะต้องมาดูได้สิทา่าหรือแมทแทสก็อะไรเร่องนะแต่ละเรื่องของเขาที่เขาจะพูดถึงเรื่องเรื่องจิตใจเรื่องของความความดึงดูดทางโลกกับความนึงดูดทางทางทางด้านทางธรรมเนี่ยทําให้จิตใจค่อนข้างที่จะต้อง ปันปวดน ะ, จะเจ้าทางหลายดีก็จะแต่งหนังสือี้ออกมาทำทางแนวนั้นยมก็คิดว่าโอ้ยเขาอุตส่าห์จะให้แบบให้ทางเลือกกับเราแล้วตอนนั้นเราเลือกที่จะไม่อ่านยังไม่<อ>ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาของค<า>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยมต้องไปหามาอ่านจริงๆแล้วท่านคงจะอ่านเป็นภาคภาษาเยอรมันนะคะได้ภาษาไหนที่เราเข้าใจเนะี่ยดีที่สุดค่ะ แต่ท่านดีก็อ่านอ่านหนังสือธรรมะดีกว่าอ่านประวัติปฏิปทาประวัติพระอาจารย์ม่านปฏิปทาของพระธถรดงสายพระอาจารย์มั่านดีกว่าจะได้รู้ว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรยมอ่านหนังสือธรรมะน้อยมากเลยค่ะท่านดีน้อยจริงๆพอยมลุกขึ้นมาปฏิบัติเองได้ ย, ยมก็นั่งนะค่ะนั่งแบบจริงๆจะเรียกว่านั่งแบบสมสีสมหะก็ว่าได้ค่ะท่านแลพอเกิดคําถามอะไรเยอะ ระดับมสมาธิไม่ต้องรู้มากรู้เพียงแต่สติตัวเดียวแต่ระดับปัญญาเนี่ยมันมันถ้าถ้าได้เรียนรู้มากขึ้นมันจะช่วยให้เรามองเห็นธรรมะในมุมกว้างค่ะยมจักรยามค่ะจักรยามให้ อ, อ่านให้เยอะกว่านี้ค่ะแต่ถ้ายังไม่ตอนนี้ไม่ไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรเพาเรายังต้องฝึกสมาธิไปก่อน แต่อ่านหนังสือปฏิบัตมิมันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้พูดเรี่องเกี่ยวกับเรื่องปรัชญามากมันพูดเกี่ยววิธีปฏิบัติทของแต่ลอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาท่านยาวมาเล่าเล่าสู่คนฟังแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติแบบเข้มข้นมันก็ยังไม่จําเป็นจะต้องรู้ก็ได้แต่เราต้องปฏิบัติเต็มเข้มข้นแบบบวชเป็นนั่งบวชนี้ยนี่เราต้องรู้ละเพราะว่า เรามีเวลาเยอะเราจะนั่เอาปฏิบัติแบบเดิมเดิมนี่มันจะไปไม่ไกลมันต้องมีอะไรมากระตุ้นวิธีอุบายต่างๆมากระตุ้นให้การปฏิบัติเข้มข้นขึ้นคงจะยังอีกนานนะคะท่านกว่านยมจะได้ทำาบบตอนนี้ก็ฝึกสมาธิในสานานคารว่าไปก่อนมาแล้วกันค่ะโอเคไม่มีอะไรค่ะไม่มีแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ท่านต่อไปคุณทวิษาจากสวิสเซอร์แลนด์คุณทวิษาอันดีถามนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะที่บ้านไม่มีไฟเลยได้ไงไม่ว่าไม่สงสัยมันเป็นแดดกับท่านมันก็เลยรับไม่ได้ค่ะมันเป็นแสงสะท้อนเข้ามาก็เลยเงาเป็นเงาค่ะท่านเคือกกงงนไ็ต้องสมานตั้งในไม่ได้เปิดไฟเลย ต้องปิดต้องปิดบ้านถึงอย่าเห็นมาอ๋อไม่เไรละไม่เป็นไรละค่ะค่ะป้าจันขอเห็นไหมคะท่านเห็นแต่ว่าเห็นว่าสายแว่นค่ะเห็นว่ใส่ยแว่นแต่ถ้าไปเจอกันที่ไหนจําไม่ได้แล้วก็ยังจําหน้าไม่ได้ใช่ค่ะสายแว่นจำไม่ได้เดี๋ยวต้องข้างหน้าต้องขอเปิดไฟละอค่ะคือ วันนี้ก็เข้ามารัฟังพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะคะแต่ว่าก็ยังเข้าสมาธิยังไม่ได้ค่ะก็คือยังฟุ้งอยู่ค่ะแต่ก็พยายามทําสติจเจริญสติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ได้พยายามทมําไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บจะได้ปันะ๊บบางคนคนั่งเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะได้ผลก็มี ถ้าท่านนั่ง<ล>สมาธิไม่ได้ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ค่ะคือเมื่อคอเ่ออคือเมื่อก่อนคืเมื่อนคืเมืนคือ เ, เนคืน่อค่ะก็คือก็นคือลู่ลก่อนวเ่าถ้านเ่กิดน่าคือตั้งตั้งตค้งเจจัื่อกอม่อกนไว้่นะ่คะวม่านเวลานั่งเื่นี่คือจะนั่งให้ครบชั่วโมงแต่เกิดจังหเมที่แบบมันฟื้มก็นั่งไปเมื่อ่อน่ว่าก็ พยายามนั่งให้มากก็คือขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าแต่ก็ก็นั่งเป็นแบบนั้นเพื่อแบบอย่างน้อยถึงไม่ได้เข้าสมาธิถึงไม่ได้สมาธิก็ให้แบบฝึกความอดทนหรือว่ารักษาสัจจะแบบนี้ยมันมันใช่แล้วใช่ไหมคะท่านคือนั่งไปเรื่อยๆมันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังเป็นจะต้อ ง, องทําต้องบังคับตัวเองต้องนั่งไว้ให้มันได้มีผล ขั้นต่อไปก็นั่งก็ต้องให้มันมีผลคือนั่งแบบไม่มีผลกับนั่งมีผลมันต่างกันไงอย่างน้อยจะนั่งให้มีผลได้ก็ต้องนั่งก่อนพอนั่งได้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปก็ต้องฝึกสติให้มากๆเพื่อเวลานั่งจิตจะได้ได้สงบได้จะได้เกิดผลขึ้นมาค่ะแล้วนอกจากมีอธิษฐานมีความเพียรแล้วก็ต้องมีสติพยายามฝึกสติอยู่บ่อยๆค่ะ บางครั้งระหว่างวบางทีมันก็มันก็ลืมไปค่ะพอเนิ่ขึ้นได้ก็เออค่อยมาพูดโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> บางครั้งก็เผลอเผลอบ่อยอยู่ค่ะท่านใช่มันมันมันธรรมดาเพราะใจเราไม่ค่อยชอบอยู่กับอะไรเดี๋ยวมันชอบวิ่งไปวิ่งมาอยู่อยู่ที่นู่ก็อยากจะไปนู่นพอไปอยู่ที่นู่นก็อยากจะมานี่คิดไปอยู่เรื่อยนี่มันเหมือนดินไงถ้าบอกใจเ้เราเหมือนดิน้องง่ายาจับดินอยู่เลยมันจับง่ายที่ไหน อท่าแป๊บเดียวก็มาใหม่แล้วเสร็จแล้วพอเงียบไปสงบนิดนึงก็ไปใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะท่านใหม่ๆก็เชื่อว่ชาตก็เยอะกันไปเงี้ยเขาหนึงไปเราหนึ่งมานะแต่เราอย่าเราอย่าเบื่อนายเราอย่าท้อแท้เราต้องพยายามสู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็สติก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะไปไม่ได้มากเหมือนตอนรึ่งตอน มันม็ยังไปอยู่แต่เรารู้ทันแล้วกลับมาเร็วเพื่อไม่ไปไม่นานทำใหม่ๆนี้บางทีไปลืมเลยว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นะเนื่องเนื่อเรื่องนี้เพลินไปเลยอ่าใช่ค่ะพอนึกได้ก็เอามาใหม่ก็กลับมาใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วบางทีก็เลยก็เลยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยแบบพยายามเหมือนที่พระอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะคะว่าต้องฝึกสติตอนนี้ก็รับทํา ฝึกทุกวันค่ะพยายามทําให้ได้ให้ให้ให้ให้มากขึ้นอย่างทีาจะรยบอกนั่งไม่ได้เอาวันนี้นั่งได้เท่านี้ก็เพิ่มเวลาไปซิเพิ่มเวลาไปอีกสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามนะคะพยายามทำไปเถอะนะความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะจ้าทุกค่ะค่ะอาจารย์มีท่านกัดค่ะมีแค่นี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะอันนี้หนาวไหมที่เซเว่นตอนนี้คงจะหนาวแล้วนะธันวา หนาวค่ะหิมะตกแล้ววันนี้อากาศก็คืมค่ะหนึ่งองศาเทาวันนี้ค่ะแในข้างนอกยังมีใบไม้เขียวต้นไม้เขียวอยู่นะทีไหนค่ะต้นอ่าต้นนี้ต้นในนี้จะจะเขียวทั้งปีอยู่ค่ะแต่ว่าต้นอื่นจะใบไม้ร่วงหมดค่ะต้นเฟิร์นนะค่ะจะเขียวตลอดค่ะแต่ตอนนี้หิมะก็ละลายแล้วค่ะเมื่อเมื่อวันจันทร์สองเมตรค่ะตกลงมาอถึงกลืงเยอะเลยท่านก็ต้องระวัง พยายามค่ะก็พยายามรักษาตัวนะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้อยากออกนอกบ้านได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ระบาดเยอะมากเลยค่ะท่านโควิดเออค่ะก็พยายามรักษาสุขภาพให้ใ ห, ให้ดีแต่คือเหมือนที่พระอาจารย์บอกคะ่ะรักษาสุขภาพเพื่อไม่ใช่ว่าเออมันมีแก่เจ็บไข้มันมีก็มีแต่ว่าอย่างน้อยก็เออถ้ามันไม่เจ็บไข้ก็ดีเราจะได้มีกําลัง เพื่อต่อสู้อย่างอื่นต่อไปใช่แล้วยังต้องปฏิบัติทำยังต้องทําอะไรอยู่ถ้าร่างกายไม่สบายก็ทําไม่ได้ค่ะค่ะลูกก็คิดเช่นนั้นนะคะก็เลยพยายามรักษาตัวเพื่อนนัดออกไปก็บอกเอองั้นรอก่อนรอให้มันมีวัคซีนก่อนแล้วค่อยไปเจอกันดีไหมอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เริ่มเฉียดที่ประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยคุณวันนี้ใช่ค่ะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเพราะคนเยอะคนเป็นล้านค่ะ เห็นเชฟเซนบอกว่าสวิตก็จะฉีดมักกลานะคะเห็นว่าอย่างนั้นเพราะว่าภายใน6เดือนก็น่าจะฉีดได้เกือบครึ่ง้นะค่ะหวังว่าโอเคนะอ่านี้ก่อนค่ะกับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธิกคุณสุพัพนาจากบอวินมีอะไรไหมวันนี้อาอรมาสการพระาจารค่ะจากบอวินค่ะก็กลาบเรียนพระอาจารย์ว่า สติแล้วก็หยุดอยากอ่ะค่ะตองอันนี้ให้ให้มากมากแต่ประเด็นได้ไดแค่นี้รู้แค่นี้ก็พอแล้วถ้าปฏิบัติไมนต้องรู้มากอ่ะมีสติแล้วก็หยุดความอยากให้ได้หยุดด้วยไตรักหยุดด้วยสติของอยากโอ้ยพยายามฝึกให้มากๆจ้าค่ะอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์แะ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณบอลก็ไม่อต้องการจะพูดอะไรไหมบอลโอเค ยังไปที้คุณเกษรนคุณเกษริน จ, Angel, Angel จากนอร์ทแคโรไลนาขคุณเเจ้าไอเอเจ้นน้ำาค่ะพระจานไอเอ็เจ้ายังไม่ตื่นเจ้าค่ะโยมมีคําถามเจ้าค่ะอืมเชิญถามได้เลยเมื่อสองวันก่อนโยมนั่งสมาธิและจิตมันรวมเจ้าค่ะมันรวมมันเหมือนวุบไปเลยแล้วก็ อย่างนี้โยมจะต้องปฏิบัติต่อไปยังไงเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะไม่รับรู้อะไรเลยข้างนอกเลยค่ะให้มันอยู่ข้างในนานที่สุดอย่าไปดึงมันออกมาให้สติคุมมันไว้อย่าปล่อยให้มันถ้ามันอยากจะออกมาอย่าปล่อยให้มันพยายามใช้สติบังเข้ามันให้มันอยู่ไป้นานๆโยมตื่นเต้นเจ้าค่ะเพราะมันลงวุกไปโยมก็ตื่นเต้นลมหายใจมันหายเจ้าค่ะเขาเดีวเขาเดี๋กวจะมีกล ใหม่ๆจะอยู่ปั๊บเดียวแล้วก็จะถอนออกมามันตื่นเต้นมันเจ้าค่ะให้มันรู้สึกเบาสบายใจไหมเวลาความรู้สึกดีไหมเจ้าค่ะไม่มีมันจะไม่มีอารมณ์ข้างนอกเข้ามาเลยมันมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะ่ะเจ้าค่ะมั่งเจ้าค่ะเจ้าค่ะมลมหายใจก็คือลมหายใจเราที่เราดูเนี่ยมันดับไปเลยแต่ว่าเราก็รู้นะว่ามันหายใจอยู่แต่ว่าเหมือนว่ามันไม่มี ไม่มีการรับลมนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะรูปเสียงกลิ่นแล้วนี่มันแทบจะหายไปาายจากการรับเลยเจ้าค่ะการการปวดหลังของโยมก็หายไปเลยมันพอมันรวมมันไม่สนใจนะจ่ะเจ้าค่ะเอ้ฝึกต่อไปต่อไปให้มันนั่งได้นานๆเวลามันรวมแล้วก็พยายามอย่าให้มันออกมาใช้สติแล้วแล้ว แล้ววันต่อไปพอโยมอยากได้อย่างนั้นอีกก็ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเวลาเราไม่ต้องใช่สติอย่าไปใช้ความอยากเจ้าค่ะแล้วโยมมีเจ้าค่ะโยมมีอีกคําถามหนึ่งเวลาโยมโยมนอนหลับแล้วโยมชอบฝันแต่พอเวลาโยมฝันแล้วโยมจะจิตโยมจะเหมือนจะรู้ว่าโยมกําลังฝันอยู่โยมก็ดึงจิตนั้น่ะกลับมาภาวนาอันนี้มันเกิดจากอะไรเจ้าค่ะ ก็จากการฝึกของเราในขณะที่เรามีเราเตืน่นมันก็มันก็จะติดเป็นนิสัยไปเวลานอนหลับมันก็จะทําหน้าที่เหมือนตอนที่เราเตืน่นอ๋อเจ้าค่ะโยงก็ยังสงสัยว่าทําไมเราถึงได้รู้ว่าเรากําลังฝันอยู่แล้วโยงก็ดึงจิตกลับมาภาวนาเจ้าค่ะโยงไม่มีเจ้าค่ะคเจทาน่ไเจ้าค่ ะ, คะสาธุเจ้าค่ะ กุญกอยใจเจอนอยู่ที่ไหนรู้สึกยังไม่เคยเข้ามาเข้ามาครั้งนี้ครั้งที่สองที่สามค่ะอาจารย์อนมาสการก็ค่ะอยู่ที่ไหนเมืองนนบางใหญ่ค่ะเมืองนน่ะมีอะไรไหมวันนี้อาจารย์หนูหนูอยากจะถามอาจารย์อยู่จุดหนึ่งที่หนูสวดมนต์แต่ว่าหนูรู้สึกว่าตัวเอง จิตมันจะฟุ้งซ่านมากเลยอะค่ะอาจารย์บางวันก็นอนไม่หลับก็เราไม่ได้ฝึกสติเลยเราพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆสิเดินกันมาก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดแต่เฉพาะเรื่องที่เราต้องคิดคต้องฝึกใช้พุโทโธหรือใช้สวดมนต์ไปทั้งวันสวดไปภายในใจหรือพุโทโธไปภายในใจมันก็จะหยุดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆได้ เจ้าค่ะพอาจารย์แล้วปีใหม่นี้หนูก็มีก็มีทําหนังสือสวดมนต์ข้ามปีคาดว่าจะออกต่างยี่หวัดแล้วก็จะพาเอ่อคนคนมีอายุถ้าจะเรียกคนแก่เดี๋ยวเขาน้อยใจกัน<ม>คนมีอายุที่ต่างยี่หวัดเจ้ค่ะพระอาจารย์<ม>สวดบนพอดีหนูทําหนังสือตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะก็เลยคิดว่าจะพยายามแต่จะพยายามเผยแผ่ พระทำให้ได้มากที่สุดตอนที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าอ่าจะทําหนังสือแล้วก็เผยแผ่ไปได้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะค่ะก็ฟังพระอาจารย์ตลอดแต่อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ทักมาแต่เปิดไม่ทันขึ้นเน็ตไม่ดีเจ้าค่ะก็ติดแค่ช่วงฟุ้งร้านอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือพยายามฝึกโทรไปฝึกสติไปเรื่อยๆ เพยายามลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็สู้กับมันเลยใส่มันก่อนเลยเหมือนขึ้นเวทีว่าเตะขึ้นมาก็เหมือนขึ้นเวทีอยากปล่อมันช็อกเราชอกมันก่อนเลยชมดนอกทุกทีเลยค่ะพี่อาจารย์โดยเฉาะตัวเองคิดลองเลยพอเตะขึ้นมาคิดโอ้ยจะวันจะวันนี้จะไปทำอะไรดีอย่างงี้อย่างนี้คิดไปแล้วใช่เจ้าค่ะพี่อาจารย์คำว่างาลัมนะคำว่างาล่มนี้ขึ้นมาแล้ว ใช่เจ้าค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านจะเป็นพยาบาทมากกว่าค่ะอาจารย์นั่นนะใช้พุโทโธอยู่นันนะททำพุโทโธไปเจ้ค่ะมีท่านนี้เหรอไม่มีแล้วค่ะอาจารย์รีใจค่ะอ่าได้สาธุสาธุค่ะอาจา ร, ย, ร, ร, ารย์คุณพ ร, รดามีอะไรหมคุณราจากสัตหอันมิก่อม ใครเปิดให้คุณพ er, รรดาอันวิวเนื้อเนือยังการระมสการค่ะเมืออ่อกี้หนูกดผิดค่ะอ๋อกดผิดสติไม่ไดีกดผิด <laughs> ตื่นเต้นนะตื่น้นนะัชว <laughs> ันไม่มีอะไรจองค่ะเราจะแค่แค่จะถามว่าถ้าเราตอนที่เราจะไปอยู่ที่วัดอย่างนี้ค่ะเราก็ถ้าพระอาจารย์มีวันนั้นมีเทศอะไรเราก็ดูใน ดูอยู่ในห้องเราได้ไหมคะเดี๋ว่าแต่ไม่ออกไปยอมาดีกว่าค่ะค่ะแต่ดูอยู่ในห้องโด้าดูทํานได้อยู่แต่ยปดูดูละครดูหนังดไแล้วถ้าไปจะแชทซูมแบบนี้หนูก็ดูอยู่ข้างนอกได้ได้ดูได้ดูได้ไม่ได้เข้ามาแต่ถ้าเป็นบันเทิงไม่ได้เจ้าค่ะค่ะ ถามเท่านี้เจ้าค่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนรอขอให้คุณเจ้าอ่ะสาธุจ้ะคุณจารินทอนจากแมววรนกลับมาวัฒกรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะให้พัฒนาดีนะเจ้าคะก็ยงค่ะสาธุค่ะพอดีโยมก็ก็ยังคงฝึกเหมือนเดิมมาค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอเวลานั่งลงไปเนี่ยมันก็ จะจะวูบดิ่งลงไปใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าพอเราเริ่มเห็นรายละเอียดในในในการนั่งสมาธิมากขึ้นนะคะมันก็เริ่มมันก็เริ่มเห็นกิเลสแล้วอย่างที่ออยอมฟังพระอาจารย์วันจันทร์ที่ผ่านมาที่สู่มิ g อะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็มันมีคำพูดที่พระอาจารย์พูดว่าคำศัพท์ที่ว่าใช้ c e n t r a l Object กับ Central Craving งะค่ะซึ่งยมก็ค่อนข้างจะเหมือนเหมือนมัน สะกิดใจโ ย, ยมอะค่ะตอนที่พระอาจารย์พูดเพราะว่าเหมือนโยมก็กำลังพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่รายละเอียดที่เกิดขึ้นในความฟุ้งซ่านในสมาธิโยมขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้ให้โยมฟังหน่อยได้ไหมคะก็เซนชียลคราฟต์เปการมาตัญหานี่ยความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเซนเชียลแจ็ค ก, ก็เสปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอืมอันเร ยัอยากดูอยากฟังอยู่ใช่ไหมอันนั้นแหละดูอะไรก็กต้อ ง, งดูลูปดูก็ดูรูยฟังก็ฟังเสียงมันก็ต้องคิดปรุงแต่งว่าจะไปดูที่ไหนดีไปฟังอะไรดีแล้วก็เกิดเกิดไปดูรูปที่ไม่ถูกใจก็คิดปรุงแต่งไปโมโหโทโซโกดเกียรติขึ้นมาอีกถ้าไปยุ่งกับรูปเสียงกิน่นรสมันก็ทำให้จิตต้องทางานคิดอยู่เรื่อยๆคิดหา พอเจอไม่ถูกใจก็คิดบ่นไปอีกอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้จิตฟุ้งซ่านาถ้าเราสํารวมตาหูจมุกลิ่นกายอย่าไปดูรูปเสียงกินรสอย่าไปสัมผัสกับรูปเสียงกินรสเช่นไปอยู่ในป่าคนเดียวเนียมันก็มันก็มันก็ฟุ้งน้อยมันยังฟุ้งอยู่เพราะถึงแม้ไม่ได้เห็นมันก็ยังคิดถึงมันได้อยู่ยังคิดถึงรูปเสียงกินรสได้อยู่แต่มันก็อย่างน้อยมันก็ทําให้มีเพียง เพียงเพียงอันเดียวคือความคิดเมื่อก่อนนี้มันมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นเข้ามาสู้ไม่ไว้ก็เลยต้องต้องตัดให้ห้าตัวข้างนอกออกไปก่อนตัดรูปเสียงกลิ่นลแล้วเราจะได้เหลือตัวเดีย ว, ว, ยวคือใจความคิดแล้วก็ใช้สติสู้กับมันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างตอนนี้ค่ะโยมวิเวกอยู่คนเดียวที่บ้านมาสองสามเดือนแล้วยมก็ยังรู้สึกว่าขนาดตัวเองอยู่ที่นี่คนเดียวยัง ใจเรายัางฟุงส้สร่างได้ขณะ น, นี้ถ้าวันหนึ่งที่เราจะต้องสมมุติโควิดออกหมดแล้วแล้วทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเราก็คงเราก็ค ง, งายากที่จะใช่ถ้าเราถ้าเราไม่มีสติเราก็จะฟุ้งมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าพอเราคิดอย่างงี้ปุ๊บก็มาคิดถึงใจโ ย, ยมก็คิดถึงไอ้ตรงคําพูที่พระอาจารย์พูเนี่ยคะ่ะไอ้กามาตัญหาเพราะว่าตัญหาเราเนี่ยคะ่ะเราก็เราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้มัน ให้มันได้ลดลงถ้าเราจะต้องอยู่ในชีวิตประจำวันมันฝึก ส, สติไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปมันก็จะพอเรามีสมาธิมีความสบความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็น้อยลงไปอืมค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็จะเดินทางไปเยี่ยมลูกอะค่ะที่โดมินิกันอีกสองสามอาทิต์นะคะโยมก็เริ่มเกิดความฟุ้งซ่านเรื่องว่าไม่อยากนั่งเครื่องบินไม่อยากเดินทางไม่อยากอะไรอย่างนี้ค่ะ มันก็เริ่มเข้ามาหนึ่งกัภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่อยากค่ะพระอาจารย์ทั้งๆที่เรารู้ว่ามันกําหนดไม่ได้แล้วก็ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องแต่มันก็ใช้ใจร่างเข้ามาพิจารณาว่าถ้าถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตายอยู่ที่ไหนก็ตายมันอยู่บ้านก็ตายอยู่บนเครื่องก็ตายถ้าถึงเวลาจะตายมั้นถ้าเวลาไม่ตายมันก็ยังไม่ตายยังก็ทําอะไรไม่ได้ ค่ะพระอาจารย์ก็นั่นแหละคะ่ะแต่ความแต่ความรู้สึกกังวลเนี้ยมันมันไม่มันไม่หยุดอคะ่ะโยมกตออย็ต้องหยดคิดยังไงต้องหยุดคิดได้ต้องใช้พุโทโธ <c oughs> พุโทโธพุโทโธสู้าาก่บบนกอนค่ะพระอาจารย์คิดังวลก็พุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะ่ามันก็จะหยุดคิดใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เห<ผ> ม, มือนกับ <พา S 1> ตอนที่เราลงก็พทโธใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็โยมก็จะปฏิบัติยางไงนะคะ ส่วนว่ามันจะมันคือมันจะมันมันจะหลุดอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเรานั่งในสมาธิแล้วมันมันอยู่ได้แต่พอหลุดออกมาแล้วเรามันหลงอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่มีสติเงี้ยพออจากสมาธิมาแล้วก็ปล่อยมันคิดเลยล้วก็ต้องหยุดมันควบคุมความคิดตลอดเวลาให้คิดเฉพาะเรื่องที่ยังเป็นจะต้องคิดเรื่องที่มันป็นเป็นจะต้องคิดก็อยากคิดแล้วคิดให้คิดไปในทางความเป็นจริง คีเลาเซลาเบว่าคีเซลาเซลาอะไรจะก็เกิดวันเอวีวีเอวีเนี่ค่ะงั้นโยมก็จะเรามัดระวังตัวให้ดีที่สุดแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันค่ะพระอจารย์ค่ะค่ะกลับกับสาธุก่พระอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อดีท่านต่อไปคุณประวิทย์จะเดลัส เพื่อนของพระพระราชนิยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนจะพูดไม้มถ้าพูดการนิ้วจะไม่พูดก็ไม่ต้องอเชิญพูดได้แนละ้วการมาตการพระอาจารย์มีปัญหานิดหน่อยครับแต่เป็นข้อสงสัยครับท่านอาจารย์ข้อสงสัยผมคือขณะที่ผมจะหลับก็อย่องนี้แหละครับแล้วว่าคนที่ ที่บ้านผู้ใหญ่อ่ะครับเขาเสียชีวิตแต่เขามาปรากฏตัวที่ปลายเตียงผมเนี่ยผมอยากทราบว่าเวลาเขาจิตเขามาถึงผมเนี่ยเขาตายไปแล้วหรือเขายังไม่ตายครับ อ, อ๋อส่วนใหญ่ก็ต้องตายแล้วจิตก็ถึงอยงอดจากล่างได้ถ้าเขายังไม่ตายก็แสดงว่าเราเพ่งแต่เราไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ได้อืมแต่แต่แต่ถ้าเป็นความจริงที่ว่าเขา พอวันรุ่ขึ้นที่ผมโทรไปเช็คที่เมืองไทยเขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่อีกมันมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่าเขายังอยู่ในโคม่าอยู่ครับอาจารย์เขาเขายังใส่เครื่องคล้องป้อยต่งแต่งต้งแตงอยู่แล้วก็ก็ยังไม่ไปถ้าร่างกายยังไม่ตายจิตก็ยังอยู่กับร่างกายต่อไปแต่แต่เขาสามารถมนาะปรากฏที่ปลายเตียงผมได้ครับอันนี้ ก, ก็มาก็มาก็รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วแต่มาก็มาไหมมันไม่มีความไม่มีผลอะไร มาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลกับมันี่ยนะกับข้อข้อที่สองนะครับในขณะที่ผมนั่งทําสมาธิอยู่นะครับก็ไปเห็นหน้าใครก็ไม่รู้จักครับโผล่เข้ามาทีละคนทีละคนทีละคนโดยที่ผมไม่เคยรู้จักเป็นพวกฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะคนไม่มีสติไง คุณไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วอยู่กับพุทโธมันก็จิตมันก็ไปคิดปูุงแต่งคิดนึกขึ้นมาวนญ่เป็นความนึกคิดของจิตเราเองจิตใต้ซํำนึกเราแล้วนะอันนี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสามารถจิตบอยสุดแล้วหรืออย่างครับว่าให้ให้เคลียให้เรียบร้อยอยางครับถ้าจิตสงบมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาถ้าจิตมีสติตมันก็ไม่โผล่ถ้าเรามีสติดูลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่โผล่ แต่พอเราหยุดดูมลมเพอสติปล่อยให้จิตมันคิดแค่มันทํำอิสระมันก็เดี๋ยวก็จะผลิตเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้เราดูอันนี้ก็เป็นนิมิต ท, ที่ว่าอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ร่าเฉยๆผมว่าเขาบอกอก็ยังสงสัยว่าทําไมเขาเข้ามาได้ในขณะที่เราทํานี้แคะนั้นเองนะอมันไม่เข้ามาหรอกเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอ๋อ เ, เราสร้างขึ้นมาจิตมันสร้างขึ้นมา ก็มีแค่นี้ครับพ่ออาจารย์อยากสงสัยจิตข้อที่ว่าทำไมเขาตายแล้วเขาถึงมาโผล่หน้าที่ที่ปลายเตียงผมได้นั่นี่ยก็ถ้าไม่รู้ก็ไม่ทํางไปขํายนะครับผมให้รู้ต่างปลายเจริงว่าเขามาแล้วตอนนี้เขาไปแล้วก็จกไม่เที่ยวครับครับผมขอบคุณมากครับพ่ออาจารย์ไม่มีปัญหาอื่นครับผมจะขอฟังครับผมจะพาอะไรไปให้พระราชาไหมเมื่อเชานี้ก็เจอท่านอยู่ ไปบินธบาลด้วยกันเลยครับก็ไม่หรอกแต่ทํางไปชันที่ศาลาด้วยกันไปไปเตรียมตัวออกบินธบาลที่ศาลาด้วยก็ฉันเสียใจกับญาติน้องแฟนของน้องชายเขาด้วยครับว่าที่เขาเสียตายเพราะโควิดไปครับอ๋อที่อเมริกานี่เลยครับผมแฟนของน้องชายเขาครับแฟนของน้องชายได้ข่าวน้องชายเขาก็อยู่ดาวนแลนเหมือนกันใช่ไหมครับผมอยู่เป็นก็เป็นเป็น ลาชันกับผมเป็นเพื่อนเรียนหนังสือน้องชายเข้ามาที่หลังก็รู้จักนันสมัยสามสิบปีก่อนครับผมก็เขาก็มาเปิดร้านหาที่นี่แล้วเก็หลังจากเรียนจบครับก็ลาชันเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ฮาวายแล้วก็ลูกๆก็เรียนพร้อมๆกันเหมือนกันครับก็เป็นฟาร์มเมอรีทั้งคู่แอร์วินใช่ไหมแกรวินก็เป็นครับเกรวินครับลูกชายผมก็เป็นฟาร์มเมอรีเหมือนกันครับจบที่เท็กซัสอครับอันนี้แกวินอยู่ที่ซอยู่ที่วอชิงตันซีเตอครับก็อยู่ที่ แก็แก้แค่นั้นนะครับบอกว่าคิดถึงเขาแล้วก็พี่สาวเขาเพราะว่าพี่สาวเขาก็มีบุญคุณกับผมตอนสมัยมาสามสิบสีสิบปีแล้วว่ามาอยู่ที่อเมริกาก็พึ่งบอมีเขาเยอะครับอ่าดีอ่าโอเคเขาก็เป็นคนใจเมตตานะครับเขาเขาพี่สาวเขาเมตตาเขาได้จากพี่สาวเขามากครับคุณว่าคุณแม่เขาครับอืมดีโอเคข อ, อให้บวชนานๆครับเออจะบอกเขา ตอนนี้ก็เู้สึว่าทุกท่านได้ถามคําถามรอบแรกไปแล้วะอาจารย์ถ้ามีมีมีคุณนุ้ยนะครับยกมือนะฮะเดี๋ยวครับครับครับอไมเดี๋ยวผมเปิดให้ครับคุณนุ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเลยครับข้างบนพีซีนะฮะครับพูดได้เลยครับสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นคําถามของเพื่อนหนูค่ะคือเขาไม่ อ ย, อยู่ที่ไหนอยู่ยนนทบุรี non uri, ค่ะอะ่ว่ามาเลยค่ะเป็นคําถามของเพื่อนหนูคือเขาไม่สะดวกมาถามเองนะคะก็เลยฝากให้ให้หนูมาถามข้อที่หนึ่งนะคะคือสมาธิกับฌานต่างกันยังไงเนะะี่ยค่ะไม่ต่างตัวเดียวกันเนี่ยสมาธิคือความสงบความสงบนี้มีหลายระดับแบ่งชื่อเป็นฌานขั้นต่างๆขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามฌ า, านสี่ มีแปดชานแบ่งเป็นสองระดับรูปประชานกับรูปประชานพวกนี้ก็เป็นสมาธิทั้งหมดคือความสงบ<ม>แต่ความสงบบ้างน้อยต่างกันไปขั้นที่หนึ่งก็น้อยกว่าขั้นที่สองมันเหนะมือนคำรถมีสี่เกียร์มันก็เป็นเกียร์เหมือนกันใช่ไหมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มันก็วิง่งแฉะวิ่งความเร็วได้ไม่เท่ากันเกียร์หนึ่งก็วิ่งได้แค่แล่าสามสี่สิบกิโลก็ต้องเปลี่ยนเขเกียร์สองอะไรเงี้ยชานก็เหมือนกัน ชั้นหนึ่งก็สงบในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอจะสงบมากกว่า น, นั้นก็ต้องเข้าชาน้นชานสองชั้นสามไปเรื่อยๆถึงชั้นแปดเลยมีสามคำถามาค่ะอาจารย์คําถามที่หนึ่งคำถามที่สองคือวิธีฝึกจากคณิกะสมาธิมาเป็นอปปนาทํำยังไงอะค่ะคือตอนนี้พี่เขาได้คณิกะคือได้สมาธิแบบเหมือน พี่เขาบอกว่าเหมือนพระจางเคยพูดว่าเหมือนงูเล็บลินนะค่ะได้ได้ได้จัดเดียวแล้วก็เหมือนเขาเพิพส่พสจัดให้มากขึ้นเวลาไมา่นั่งสมาธิต้องพยายามควบคุมความคิดต้องหมันพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยอยากปล่อยให้ใจคิดด้วยเปลื่ยคิดได้เฉพาะเรื่องที่จาเป็นจะต้องคิดนั่งนันราต้องหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้นานขึ้น คือตอนนี้ที่เขาได้หนึ่งนาทีเขาคร า, าวๆว่าประมาณว่านานก็หูแล้วนิดนึงอันนี้คือใช่อัปปนาหรือยังค่ะอาจารย์หรือว่าก็ไม่สนใจนะคือเขาไม่ได้กําหนดเวลาว่าต้องกี่นาทีหนึงเป็นอัปปนากี่นาทีเป็นคันนิกะก็เพียงแต่ว่าถ้าอันนิกะแปลว่าหนึ่งขณะคันิกะมาจากคําว่าขณะหนึ่งขณะอัปปนาเลยหนึ่งขณะไปก็เป็นอัปปนาได้ อัปนาน้อยอัปนามากหนึ่งนาทีก็อัปนาหนึ่งนาทีสองนาทีก็อัปนาสองนาทีไม่จะเป็นจะต้องไปดูว่าแบว่ามันเป็นอัปนาระดับไหนขอให้มันเป็นนานๆให้มันนานๆสักชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นะนั้นบอกได้ว่าไม่ต้องไม่ไม่ไมไม่มีมาตรวัดเหมือนนัดแมีบอกว่าความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้ เกียร์หนึ่งความเร็วสามสิบเกียร์สองความเร็วห้าสิบในชานไม่มีมันไม่มีมาดบอกได้เดี๋ยมเอาไปบอกพี่เขาค่ะขอบพระคุณงาค่ะหมดแล้วลหมดแล้วใช่ไหมคำถามอ๋อคือยมแค่อยากจะบอกว่ายมฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศในไลฟ์ปะค่ะรู้สึกประทับใจมากๆก็เลยติดตามในเฟซบุ๊กมาตลอด อยากจะบอกแชร์กันแล้วกันนะแชร์แชร์ตลอดค่ะที่นี่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นวันละร้อยกว่าร้อยกว่ายอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่มียอดขายเนี่ยที่นี้ไม่ได้ขายอะมีแต่แจกทํำมะความจริงยมมีคําถามส่วนตัวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเร็วไปหรือเปล่าค่ะผ้าจารย์ไม่แน่ว่าถามได้เลยถ้าอจะถาม คือยมมีความตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวินะคะแต่มันมีคำถามในใจว่าเราต้องอยู่เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่อ่ะสวนกว่าท่านจะจากไปหรือรอบวชไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูตัวก็เห็นางได้แล้วก็ไปได้เลยแล้ ว, ลวถ้าเ ข, า ม, เขามีปัญหาแล้วเเราค่อยกลับมาดูเขาได้เป็นพระพ่อดูแลพ่อแม่ได้เป็นชีก็ดูแลพ่อแม่ได้ออ พอเราปฏิบัติมากแ ล, าแล้วจิตเราเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะดูแลพ่อแม่ในฐานะที่เป็นชีหรือเป็นพระได้ถ้าเราไม่มีก็เราก็เปลูกศิษย์ลูกหานที่จะคอยช่วยทําหน้าที่แทนเราเองไม่ต้องกลัวมีคนก็อยากจะสนับสนุนนักบวชเยอะแยะไปหมดค่ะอพอรวมปิดที่ที่อันเนี้ยค่ะเราจะแบบควรจะปิดยังไงเ่อ น, น, นบวชไปนานๆก็จะมีคนสนับสนุนทางด้านเงินทองปัจจัยนั้น แล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่ก็เดือดร้อนคือยมไม่แน่ใจว่าคือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะค่ะแต่ว่าแค่กลัวว่าเอะเราอัตตันยูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่หรอกเพราะท่านเจ้าไปบวชไม่ใช่เนี่ยอัตตันยูว่าดูท่านเจ้าวิ็นตัวอย่างเนี <S <S ่ยใช่ไหมทิ้งลูกทิ้งภรรยาทิ้งพ่อไปบวชทิ้งแม่ไปบวชแต่พอบวชเสร็จแล้วก็มาช่วยให้ท่านได้บรรลุท่านได้บวชกันตามเนี่ย ดีไม่ดีพ่อแม่ต่อไปอาจจะมาบวชตามเราก็ได้ใช่ไหมอโอเคน ะ, อะขอบคุณค่ะรูเสกตอนนี้มีท่านใหม่เข้ามามมคุณสุภัตราคุณสุภัตราอ่ะครับเชิญจาดลัลสเหมือนกันคุณสุภัตราสัดีกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่าะมะไยังไง ก <c oughs> ้าวเข้ามากราบเข้ามาทักทายเจ้าค่ะมาฟังเฉยๆเจ้าค่ะวันนี้รู้สึกรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจิตใจค่อนข้างจะขุ่นมัวนิดนึงเจ้าค่ะต้องพยายามใช้สติพุดโธ ท, ท่องไปสวดมนต์ไปก็ได้แต่เดี๋ยวมันก็จะจางหายไปมันคิดว่ามันเป็นเมฆหมอกก็แล้วกันกจิตใจแล้วก็เป็นเหมือนท้องฟ้าบางไวันก็ฟองโปรท้องฟ้าโปร่งบางไวัก็อึมครึม เมฆบอกเยอะอารมณ์เยอะแต่เราใช้ลมคือพุโทโธนี่พัดมันออกไปได้ทำพุโทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวสักพักอารมณ์ต่า ง, างๆมันก็จะจางหายไป <c oughs> จิตจิตลรานี้เป็นเหมือนท้องฟ้าท้องฟ้าภายในอารมณ์เป็นเหือนเป็นพวกเมฆบอกต่างๆถ้ามีสติสติจะช่วยเคลียร์พวกอารมณ์ต่างๆนี้ให้จางหายไปให้จิตว่างสว่า ง, ส ว, างสวัย งั้นอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทิ้งพุโทโธนะพอมีอารมณ์เหมือนดยงิดตำคาใจท่องพุโทโธไปเดียวเดีย ว, ยวไม่ไม่นานแล้วค่ะอมั น, นจะได้จางหายไปรู้สึกเบาสบายใจขึ้นมาแล้วค่ะเรามีาดีๆแต่เราใช้ไม่เป็นกันนใช่เจ้าค่ ะ, คะลูกรู้เลยว่าแบบพอพอถ้าวันไหนแบบว่าเราเราเผลอแบบว่าไม่ไม่ไม่ฝึกสติเนี่ยพอวันต่อม า, ต, อมาต่อมาเหมือนสติมันคือเหมือนแบบอารมณ์มันจะ มาได้ไวมากตอนที่เราแบบฝึกสติตลอดนี่จะรู้สึกหนักแน่นเจ้าค่ะก็ไม่มีลมพัดพวกอารมณ์เจ้าค่ะเห็นความต่างเลยเจ้าค่ะเห็นความต่างชัดเจนเลยเจ้าค่ะสติเป็นของมีค่ามากเป็นสิ่งที่จะเป็นทุกกรณีทุกเวลาเจ้าค่ะเนี่ยสองสองสาวันลูกรู้เลยว่าแบบว่าสติสติน้อยเพราะว่ามีเรื่องให้ให้คิด เกี่ยวกับทางบ้านะเจ้าค่ะก็เลยก็เลยรู้เลยว่าเออเนี่ยมันเป็นผลจากที่สองสาวันเนี่ยเราโมแต่ไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้แล้วเลยพอทีนี้อารมณ์มันก็เลยซัดเข้ามาซัดเข้ามาแบบแบบพอก็พยายามอยู่พยายามแบบว่าเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างที่พระอาจารย์สั่งสอนตลอดนะเจ้าค่ะว่าเหมือนดินฟ้าอากาศเจ้าค่ะรู้พยายามไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปเกิดดับเกิดดับไป แล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ไปแล้วก็กลับมาใหม่มาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาอย่างนี้นะจนกว่าเราจะสามารถทําใจให้ว่างได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกสติแล้วคะเห็นความสําคัญอย่างอย่างยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะตอนที่พระอาจารย์สอนจริงเจ้าค่ะจะพยายามไม่ทิ้งนะคะนะคะอัาธูแฟนคอนฟิดกับเราเปล่าก็ เขาเขาเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าขอขอให้คือคือก็บอกกับเขาว่าบางทีอยากอยากจะแบบอยากจะไปทดลองอยู่วัดนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็บอกว่าให้อยู่ที่บ้านเถอะเขาบอกเอาบ้านเป็นวัดก็ได้เขาจะพยายามคือคือยังไม่ยอมให้ไปเขาบอกว่าให้ให้ให้แบบเหมือนช่วยช่วยแบบช่วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชเขาอย่างยังตั้งเพิ่งเราอยู่เจ้าค่ะก็ทําที่วัดถ้า ก็ทำที่บ้านเป็นวัดก็ได้บอกว่าเวลาเข้าห้องนี่หรือหนูเข้าวัดแอย่ามายุ่งนะเวลาบางทีบางทีก็คิดแลนะเจ้ า, าว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่ได้ฝึกเหมือนเราแต่เขาเขาสงบเร็วกว่าเราคือเขาเขานิ่งเร็วกว่าเราแต่เราพยายามฝึกแต่ทาไมเราถึงใจเรามันไม่นิ่งเร็วเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคาะมันเขาอาจจะมีของเก่าติดตัวมาก็ได้ของพวกนี้มีสติมากกว่าเรา เขาก็เลยอารมณ์เขาคุมอรมณ์เขได้ดีกว่าเราใช่เจ้าค่ะเขาาคุมอารมณ์ได้ดีมากเจ้าค่ะบางทีเขาก็จะแบบขอโทษขอโทษแล้วเขาก็หายหายไปเลยเคือหมายถึงว่าอารมณ์ไม่ค้างแต่ทําไมลูกเป็นคนที่อารมณ์แบบ อ, อ, อารมณ์ค้างจังเลยมันไม่สิสัไม่ดีสเตย์เราสู้เขาไม่ได้สเตย์เขาไม่มากกว่ า, ข เ, าเขาระงับอารมณ์ได้เร็วกว่าเราลูกก็เลยคิดว่านี่ถ้าลูกไม่ฝึกนี่ก็คงจะ คงจะยิ่งแย่ขนาดฝึกยังไม่ดีเลยเขาไม่ฝึกนี่ได้ <laughs> จะได้เห็นคุณค่าของการฝึกว่ามันมีคุณค่าอย่างไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะ <c oughs> จะพยายามเรื่อยๆเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพูดโทรคำเดียวเนี่ยพยายามเท่าให้บ่อ ย, อยๆเยอะๆพออารมณ์ไม่ดีกับพูดโทพู <c oughs> ดโทพูดโธไปอย่าไปเปิดตู้ยันหาอะไรกินอย่าไปเปิดอะไรดูส่วนใหญ่จ้าววิธีแก้อารมณ์ไม่ดีเื่องการกินการดูการฟังน มันก็แก้ได้เดีย ว, วย เ, เดียวช่วงที่ได้กินได้ดูมันก็รู้สึกเบาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวพอกินเสร็จก็กลับมาเจออารมณ์เดิมอ <c oughs> ีกแล้วเ <c oughs> จ้าค่ะกันกลัเจอค่ะขอบพระคุณจ่าค่ะมีท่านใหม่เข้ามาพอดีคุณพี่ลมเชิญคุณพี่ลมต้องเปิดไมค์ก่อนนะอันมิวไมโครโฟนอยู่ที่ไหนกราฟนมาศก า, ารกับอาจารย์อยู่ย อยู่ได้ยองครับผมอยออ ย, ย อ, อยู่ ใ, นในกล้ๆ ก, กันครับ<ม>อยู่ใกล้ๆกันครับผมผมมีครับมีมีเรื่องอยากสอบถามราชยานครับพอดีพอดีนั่งพักเที่ยงตอนตอ น, ตอนที่ทำงานอยู่แล้วก็พูดโทรไปด้วยครับแล้วก็ประมาณสักสีห้าทีเหมือนเหมือนมันจะนิ่งไปแล้วก็ เหมือนจะเคลิมไปครับแล้วก็แล้วก็ได้ยินเสียงชัดคนชัดมาอีกทีเนี่ยก็ค่อยเคลิมไปแล้วก็ชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วหลายโมงพอดีครับผมก็เลยลุกไปเท้าห้องน้ำตอนไปเท้าห้องน้ำก็จะเห็นกายกับใจมันแยกแยกกันอยู่ตัวตั ว, ต, วตัวที่เรารู้ว่าเหมือนเรารู้ห่างจากกายเรามันครึง่งครึ่งประมาณสอนึงได้ครับแต่มันเป็นอยู่ประมาณหกชั่วโมงนะครับผมก็คิดว่า ควรจะหัดทำสมาธิแบบนี้ดีหรือว่าแค่แค่รู้ตัวมีทติไปแต่ละวันดีกวาา่าครับเพราะต้องต้องนั่งถ้ามีเวลานั่งต้องนั่งเพราะมันการรู้ตัวแบบนี้มันยังไม่สงบครับเราะว่านั่งเฉยๆมันถึงจะสงบแล้วมันจะเกิดอุเบกขาเกิดความสุขขึ้นะครับเราจะทําให้เราตัดอะไรได้เยอะแยะถ้าไม่มีอุเบกขานี่มันจะตัดไม่ได้ เดี๋ยวก็ยังอยากได้ริ้เสียงกลิ่นยศอยู่อยางได้ลาบยศสาะระเสนยศอยู่ครับเนั่งพยายามนั่งให้ได้นั่งนั่งแล้วก็ต้องนั่งนานๆให้มันสง บ, บนานๆครับแล้วใจมันจะอิม่มมันสร้างความอิ่มให้กับใจด้วยการนั่งสมาธิครับถ้าเป็นการเจริญสติมันยังไม่มันยังไม่สง บ, บเท่าที่ควรมันยังไม่ทําให้ใจอิม่มมันช่วยทําให้ใจว่างจากความคิดอยู่แต่มันไม่อิม่ม ทำนั่งสมาธิให้มันเข้าสู่ความสงบให้ได้ครับทำทั้ง2 อ, อย่างเนะีเวลาไม่นั่งก็ต้องมีสติดู ต, ตัวอยู่ตลอดเวลาครับและเวลานั่งก็ต้องมีสติดูดูลมนู่นพุโทโธอย่าปล่อยนะอย่าไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดีวจิตมันก็พาเราหลอกเราไปนู่นมานี่ได้โดยไม่รู้สึกตัวครับมันมันจะ มันจะปล่อยนิดหนึ่งครับต้องปล่อยผมรู้สึกว่ามันต้องปล่อยนิดไงมันเบาๆถ้าครับอย่าไม่ปล่อยใช่ไหมครับอย่าปล่อยปล่อยให้มันปล่อยเองถึงเวลามันจะปล่อยเองเวลามันสงบเวลวมันจะปล่อยเองครับอ๋อหมือนเาจะไปอย่างนี้เราจะไปไม่ถึงถึงจุดที่สงบถ้าเราปล่อยก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับครับ คุณสันสิกรินสิกินคุณสันได้ยินไหมรู้สึกว่าไมของคุณจะมีปัญหานะเพราะคุณเปิดไมค์แล้วแต่คงจะตอนที่คุณเข้ามาคุณคงไม่ได้คอนเนคมายูสิไม่ได้ยินเสียงคุณสันอ่าเด็นไปทางที่คุณล้าแล้ววันนี้คุณล้ามีคำถามไหมมีครับมีมีสามคำถามจากทาง Facebook เจ้าค่ะ คํ <ST AN GE> าถามแรกจากคุณวิทยาชาซีโยอยากกลับเรียนถามค่ะว่านั่งไปแล้วหูดับค่ะเกิดอะไรขึ้นค่ะหูดับก็รู้เลยหูดับไปเลยไม่ต้องไปรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น <laughs> หูดับก็นั่งไปจิตมันก็มีแสดงอ า, าการแปลกๆต่างๆได้ก็ให้มีสติรู้อยู่กับความเป็นจิตเป้าหมายของ เ, อเราคือต้องการให้มันนิ่งให้มันสง บ, บไม่คิดปลุงแต่ง ให้มันสักแต่ว่าถ้ายัางไปไม่ถึงจุดนั้นก็ดูลงต่อไปเป็นพุโทโธต่อไปเท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณภาเวนีชาลาครูฝึกสติอย่างไรคะก็ทำพุโทโธไปเนี่ยอยางมีสติก็หัดทำพุโทโธพุโทโธพุทโธไปลืมตาขึ้นา ม, มาก็พุโทโธทำอะไรก็พุโทโธเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธ ใ, ให้หยุดความคิด ให้มากที่สุดเท่าที่จะหยุดได้ให้คิดแต่เฉพาะเรื่องที่ต้องคิดเนัรื่องที่ไม่ต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปคําถามสุดท้ายจากคุณพานุมาจามศีเราสามารถเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้หรือไม่คะในเรื่องต้นก็ได้การปฏิบัติเราก็เวลาเราทํา ง, งานแล้วก็ไปเจริญทางโลกเวลาเราไม่ได้ทํา ง, งานเรากลับมาบ้านล้วก็มาเจริญทางธรรม แต่ต่อไปถ้าทางธรรมเจริญมากขึ้นมากขึ้นเราก็อยากจะลดทางทางโลกให้น้อยลงเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากทางธรรมมันดีกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากทางโลกเพราะต่อไปมันก็จะย้ายไปทางธรรมอย่างเต็มรูปแบบคือไปบวชไปอยู่แบบนัก บ, บวชต่อไปบวชแ้วอะไรละแล้วเจ้าค่ะคุณสันคุณสันคือคุณซัน S N Uh, สวัสดีครับพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับผมอยู่บ้านอำเภอรครับพระอาจารย์บ้านอำเภอเนี่ยนะครับผมก็ได้อ่าไปฟังธรรมของหลวงตาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ทุกวันนี้นํามาปฏบิบัติบูชาตามที่หลวงตาสอนครับผมอยู่ทางไหนครับผมบ้านอำเภออยู่ตรงไหนอยู่แถวในซอยอ่าทางเข้ามาฟักทองครับผมอ่าทางเข้ามาฟักทอง ร ท, ที่อ่าทําโรงงานน้ำดื่ ม, มครับผมที่บอกว่าจะทําทําน้ําดื่มแจกนี่เลยใช่ครับหลวงตาแต่คราวนี้พี่ๆเขาแนะนําไว้ว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นขยะเขาเกลยแบบว่าให้ผมหยุดดีกว่าผมก็เห็นด้วยเหมือนกันครับไม่อยากให้มันเป็นปขยะขึ้นไปะนะครับผมก็ภาวนาครับผมอยากขออนุญาตสอบถามหลวงตาได้ไหมครับครับผมก็ทุกวันนี้ครับปฏิบัติอ่า กับทุกวันครับผมก็จเจริญสติตั้งแต่ตื่นนอนก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทา พ, พูดคิดก็พยายามกำหนดรู้อะครับว่าเราทำอะไรลงไปครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะสวดมนนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมครับผมครับหลวงตาแล้วตอนที่นั่งสมาธิอะครับหลวงตาคือช่วงหลังเกิดบ่อยอะครับคือพอรู้ลมไปเรื่อยๆอะครับผม ทุกอย่างมันค่อยๆดับไปอะครับจนอยู่ความนิ่งๆมันเหมือนเป็นความว่างๆอยู่นานมากๆครับหลวงตาเหมือนเหมือนแบบทุกอย่างาไม่มีตัวไม่มีไ ม, มไม่มีอะไรอยู่กับความว่างทำใจ <ผม S 1> ให้ว่างดเนี่ยหรว่าทำสมาธิถูกไหครับหลวงตาแล้วถ้าเกิดเราเห็นว่างอย่างเงี้ยครับผมเคยเคยก็ กำหนดรู้ต่อไปอะครับว่าว่างนี้แล้วมันก็ดับแล้วก็กลับมาทําใหม่บางวันมันก็ไม่เป็นแบบนี้อครับหลวงตาบางวันก็เป็นอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอย่าไปอยู่กับความว่างครับผมก็ให้กําหนดรู้ลมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลวงตาเรื่อยๆถ้ยังดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธไป ครับหลวงตางก็ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันเรื่อยๆได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมได้ไดจกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วก็พุโทโธก็หยุดไปเองลมก็หายไปเองก็ได้ครับผมขอพอคุณครับหลวงตางโอเคคุณสมัยคุณสมัยคุณเข้ามาเนี่ยไม่ทราบเป็นพระหรือก่าผมไม่ใช่เพราะเขียนวาสมัยทันทันทะ ได้ยินไม่คนสมัยคงไม่ได้ยินนะผมผมกดปุ่มให้เขาอ่านมีแล้วฮะเดี๋ยวลองดูเขาไม่ยอยู่ที่หน้าจอครันะมีมีคุณวาลิปนะฮะยกมืออยู่นะฮะตอนนี้วาลิปนะว า, าิวาลิปครับหนังสือที่โยมจากเยอรมันบวกคนแต่งชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้เฮนเฮสซเฮมภาษาทายเนาอ่านเฮสซีเฮสเซสเซังรู้สึกใช่ไห เฮอแมนเฮอรแมนเฮอรแมนรล้ ว, ว, ว es, es ar, ถ้าเราอ่านาภาษาอังกฤษจะเป็น h ฮซมันมันเป็นตัว e h e s s, s, s e มัพระอาจา์เคยอ่านสมัยก่อนบวชเหรอครับอส่สมัยก่อนบวชอา่ า, านหลายรยแล้วพวกพนักปัชญาตตะวันตกเขาขาดอะไรไปเหรอครับพระอาจารย์ เ, เขาขาดการปฏิบัติไงเขามีแต่ทฤษฎีเขาไม่ได้ปฏิบัติความคิดของเขาเรายังไม่ตกผลึกยังไม่เห็นชัดเจนถ้าปฏิบัติแล้วเขาก็จะเห็นชัดเจน oh. เขาเห็นอนิจจังแต่เขาไม่เห็นอนัตตาเขาเห็นทุกขังเขาเห็นอนิจจังแต่เขาไม่เห็นอนัตตา oh. ขาดตัวเดียวขาดตัวอนัตตา ใช่า น, านั้นนัตตาก็จะตัดอิเลนได้หมดแล้ ว, ลวต้องมีสมาธิด้วยต้องมีอัปปนาสมาธิด้วยนั่นยังเพิ่เน้นหรือเพิ่มเมนนะครับเพิ่มเมน A R M M A N Man เพิ่มเมน M4 แล้วตอนพระอาจารย์ปฏิบัติใหม่ๆพระอาจารย์ปฏิบัติภสีิประธาน4อย่างเดียวหรือปฏิบัติภสีิประธาน4ควบกับ เออธรรมะด้วยครับก็จตประธาสี่ก็เป็นธรรมะหลักแล้วก็มีอ่านหนังสือก็อื่นที่มาสนับสนุนหนังสือก็เกี่ยวกับธรรมะในง่างมุมทางอื่นเพราะสตรีสรีประธานสี่มันดูแบบมันดูเป็นคําว่า ก, ากลางๆไงครับแต่ถ้าพูดแบบในโลกตะรค์มันจะนึกถึงแบบความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราเนี่นมันนั่นอยู่คนละระดับอันนี้มันระดับ ป, ปฏิบัติอ ไอ่อนรกสวรรค์นี่มันถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันแต่เกิดมาเป็นผู้เี่ยวสอนแล้วทำบุญไปสวรรค์ทําบาปไปนรกเห็นแต่เรายังไม่ได้พิสูจน์เห็นเจากการปฏิบัติเท่านี้พอปฏิบัติแล้วก็จะเห็นสวรรค์เห็นนรกว่ามันก็อยู่ในใจเรานี่เองเวลาทุกข์ก็เป็นนรกเวลาสุขก็เป็นสวรรค์นะความคิดความคิดกับใจอันไหนละเอียดหัวกันนะครับคือความคิดมันอยู่ในใจมันมาจากใจ ใจเป็นทูรู้ผูคิดเนี่ยมันต้องเรียงแบบเอ่อร่างกายความคิดแล้วก็ใจอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ใช่ร่างกายไม่ใช่ใจร่างกายกับใจเป็นเหมือนฝาแฝดความคิดไม่ได้อยู่ในร่างกายใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นเพียงมาเกาะติดกันเป็นฝาแฝนเหมือนแฝสยามนี้แล้วใจมันก็มาเกาะติดกับระบบประสาททำให้เรารับรู้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ มันก็มาก็ระบบประสาทที่ส่งรูปเสียงกินนนัดเข้ามาให้ใจรับรูยเลยครับโอเคครับจะ ต, ตอนแรกจะแค่ถามเรื่องชื่อคนเขียนแค่นี้เพราะฟังแล้วมันฟังไม่ขนาดกับปกบนี้โอเคก็ใครมีคำถามอันนี้ก็เชิญอันนี้เปิดฟรีสไตล์นะครับคุณวุ่นลยกมือมีหนึ่งคำถามจากทางเฟ e บุ๊กเจ้าค่ะจากคุณวงดาโพสะอาด อยากทําบุญต่ออายุให้มารดาควรทําบุญอย่างไรเจ้าคะต่อไม่ได้หรอกอายุมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถึงเวลามันจะตายมันก็ตายเวลามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายทําบุญไม่ได้ไปต่ออายุให้ใครถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะคุณกายคุณกาใจ พระอาจารย์หนูว่าจะตั้งใจมาถามพระอาจารย์หนูได้ยินเสียงอยู่ในในหัวตลอดอะค่ะทั้งเช้าตอนนี้ก็ได้ยินว่าจะถามประโยคนี้กับพระอาจารย์ไม่เป็นไรอยากไดอยากรู้ว่ามันมันไม่หายอะค่ะไม่หายก็ชจะมันก็แค่ว่ามันเป็นเป็นธรรมชาติของใจเรามันเป็นอย่างนี้ได้ยินแต่เสียงไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจไม่มีสติอยู่กับงานกับร่างกายที่เราเคลื่อนไหวทําอะไรไป เหมือนมันถ้าอยากจะให้มันหายไปก็ต้องนั่งสมาธิให้มันสงบมันก็จะหายไปต้องนั่งสมาธิใช่ไหมค่ะไปตั้งนั่งสมาธิถ้าจิตสงบจิตดวมแล้วมันก็จะหายไปถ้ามันไม่หายก็ต้องผัดอยู่กับมันไปอย่าไปนั่งเกลียดมันอย่าไปอยากให้มันหายมันจะทำให้เราทุกข์ พอไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ไม่ได้เกิดอาการอะไรแต่ว่ามันได้ยินมาตั้งแต่สวดมนุษ์ก็ได้เป็นปีเหมือนกั น, นะะ่ะคะแบบว่าจะตั้งใจมาถามพระอาจารย์ว่าทําไมมันถึงเกิดสภาวะที่แบบ เ, เหมือนกับบางครั้งมันเหมือนกับลมออกหูบางครั้งมันก็แบบเสียงเหมือนนกหวีดอะไรอยู่ในหัวเราตลอดร่างกายไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเรื่องภาวะสภาวะของจิตมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องวิตกสภาวะของจิตมันก็ไม่ได้มาทําอะไรให้ให้ใครเสียหาย แล้วก็ปล่อยมันเป็นไปของมันตามเนื่องมันไปไม่มีวิธีแก้ใช่ไหมคะอาจานนยรย์ก็ได้ทำสมาธิเ <c oughs> ข้าสมาธิจิตสงบถ้ามีสติมากๆมันก็จะหายไปครับ ม, มันเกิด<ช>จากจิตเราสร้างขึ้นมามจิตที่ไม่มีสติมันก็จะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นคนแก่บอกว่าระวังจะเป็นโรคหูตึงก็เลยจิบตกมันก็เลยไปหาหมอว่ามันมันดังแบบดังอยูอะะไรรปปัมนนกก็็เต่ายตทันทีเลยอะไรวะ ใครก็พูดอะไรไหนไปเชื่อเขาแล้วเพราะพระเจ้าบอกต้องหนักแน่นเลยต้องใช้เหตุผลก่อนก็ดูไปดูมันดูวมันจะหูหนวงก็เปล่าก็ดูไปเลยอพิสูจน์ไปก็พยายามอยู่ค่ะแต่ว่ามันแบบบางทีก็ลาคาญว่าแบบบางทีไม่ได้ยินเพื่อนเลยแต่ได้ยินเสียงเสียงดังวิวลาคาญเพราะเราอยากใช้ให้มันหายอยาไปรักอยากไปอยากให้มันหายมันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไป โอเคได้ค่ะพรอาจารย์ไม่มีคำถามแล้วพรอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะคุณจี๊บเพิ่งเข้ามาเขาจะเลิกกันแล้วเนี่ยเราเพิ่งเข้ามาขอบสมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงประเทศเลยทถลายอยู่ที่ไหนมากเลยพอดีอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหาค่ะพอดีลูกต้องล็อกอินลูกสาวลูกชายต้องเรียนตอนเช้าเก้ามงเจ้าค่ะ พอองต่ออินเทอร์เน็ตเอ้ามันมีปัญหาไม่รู้ว่ามันหนาวเกินไปหรือลมมันแรงอินเทอร์เน็ตมันเลยต้อมกันอยู่นะช่ชวงนี้มีพายุนเนี่ยใช่ไหมได้ข่าวทางใช่ค่ะลมมันแรงมันเป็นพายุที่อื่นค่ะแต่ว่าแ<ช>มรีแรรม่แลนด์ปกดีดีไม่โดนไม่โดนนะคะก็ะเลยแบบว่าโอ้ใจแม่ก็อยากจะเข้ามาฟังพระจานทร์รูกก็มีปัญหาก็แล้วต้องซ่อมให้รูกก่อน่ค่ะพีมีอะไรไหมวันนี้ คือเมื่อวานนี้โยมเดินจงกรมนะค่ะเดินแบบจากบ้านจากข้างหน้าไปข้างหลังบ้านอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะคือเราไม่เราไม่แน่ใจว่าเดินแล้วถูกทิศมันต้องสนใจทิศไหมใช่ไหมครับไม่เป็นะไม่ต้องสนใจถ้าเราเลือกไม่ได้ก็เดินไปตามสภาพที่เราเดินได้ถ้าเลือกไม่้ก็เลือกถ้าเลือกเดินตามทิศได้ก็เดินถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเดินตามเลือกเธอเดินตามทิศได้ต้องเดินทิศไหนไปทิศไหนใช่ตะวันออกตะวันตกเหยืเยี่ยงไหนเยื่ยงเหนือใต้แต่ห้ามเดินต่ขึ้นเหนือใต้อันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่มั่นแต่ไม่มีใครทราบว่าทําไมไม่มีใครกล้าถามอ๋อแต่ถ้าเดินทิศตะวันออกไปตะวันตกพระอาทิตย์จะแยงตาเราไหมคะไม่ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวหรอมันก็อยบมัน มันมันจะยางตาเราตลอดที่ไหนเราเวลาเราไปช้อปปิ้งไปที่ไหนครับรถแม่นนูมันมายางตามราเลยพอเดินจมครมนอนมันจะมายางตากราแลนะ <c oughs> เดินช้อปปิ้งนี่สินค้าแยงตามากเลยค่ะแล้วแต่ว่ามือเราต้องแบบวางซ้ายขวาอะไรงี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหรือว่าไม่เป็นไร <c oughs> ให้มันส้ำรวมหน่อยให้มันดูอาการอย่าไปเดินแกว่งมือแบบเป็นนักเลงอะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะแล้วส้ำรวม โยมเดินเดินไปก็รู้สึกได้ว่าเออจิตมันก็วอกแวกไปก็เราก็พยายามดึงมันกลับมาที่พุทโธพุทโธแล้วก็พอนั่งสมาแล้วก็นั่งสมาธิมันก็ดูเหมือนจะแบบนิ่งนิ่งมันรวมรวมนิ่งนิ่งได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็พยายามพยายามควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดอย่าพุทโธไปเหมกันค่ะช่วงนี้ก็ฟุ้งซ่านไปเหมือนกันพอฟุ้งซ่านแล้วจิตมันก็เศร้าหมองไปเลยก็มานั่งมองว่า อะไรหนอะที่มันเป็นก่อให้เกิดความฟุง้งซ่าและความเศร้าหมองของเราอ่ะค่ะก็ไม่มีสติไงก็ไม่มีสติจิตมันก็เป็นตัวสร้างความเศร้าหมองขึ้นมาฟุ้งซ่านค่ะค่ะก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามตัดตัดถ้ามีสติมันก็จะาหายฟุง้งซ่านมันก็จะไม่ฟุง้งค่ะพระอาจารย์คะถ้าเรื่องบางเรื่องเรามันยังเราต้องรอเวลาที่จะแก้มัน แล้วทำยังไงเราถึงไม่จะไม่ย้อนกลับไปย้าคิดย้าทำไอ้ตรงปัญหาตรงนั้นก็ใช้พุทโธนใช้พุทโธพมันจะไปคิดกับคิดพุทโธแทนก็ไปคิดพุทโธแทนเพราะก็ยังไงเราก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่จคไปก็ไลบอยไปคิดทาไมบอกค่ะจังคะอาจารเอ๊ะอาจารย์มีภาพภาษาอังกฤษ คืนอ่ะเดี๋ยวนะคะคือวันจันทร์คราที่ได้วันจันทร์เพราะวันอําคารมันตรงกับวันวันพระวันพระมีมีเที่ยงวันมันเหนื่อยเลยไม่เลยต้องเลื่อนโยมก็ใครโยมก็ไม่ได้เข้ามายอมว่าเอ๊ะอันนี้กรุ๊ปใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วก็ไม่เลยไม่เลยค่ะจะเปลี่ยนวันได้มันไหนตรงกับวันพระต้องเปลี่ยนอย่างของเราที่ต่อไปก็จะต้องเปลี่ยนต่อไปพอตรงกับวันพระก็ต้องเลื่อนไปวันพระรหัสแทน อ๋อแต่ถ้าของ Q&A ภาษาอังกฤษก็ถ้าวันไหนวันพระก็จะเลื่อนมาล่วงหน้าหนึ่งวันอ่าใช่ถ้าของของไทยก็จะเลื่อนเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปพรหัสแทนมันจะน่าไม่ชอค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกสักสองสามอาทิตย์ก็จะวันพระก็จะเป็นวันพุธแล้วะค่ะแล้วเราจะบอกล่วงหน้าก่อนใช่ถ้าพุธถ้าพุธหน้าเป็นวันพระนี่ก็จะบอกว่าคราวหน้าเจอกันวันพรหัสหน้าอ๋อค่ะ แต่ถ้ า, ถามาเดินบอกก็ยังถือว่าเหมือนเดิมอยู่ค่ะโยมเห็นโพสต์ของพระอาจารย์ที่เกี่ยวกับหัวข้อเริ่มมาช่วงแรกๆของพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมมาค่ะก็เวลามาเดี๋ยวจะไปตามอ่านในหนังสือเปิดใจเปิ ด, ปดอะไรนะคะเปิดปใจใจเปิดธรรมค่ะมีอยู่ในพระสุชาติ d o com ไปดาวน์โหลดอ่านได้ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์โยมไม่มีคําถามอะไรค่ะมันดึกแล้วครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะ ใช่ค่ะต้องระบาดสายหน้ากา<ส>ับไปนะใสยหน้ากับไปลองนอกบ้านในตัวก็จะเป็นเหมือนกันนะคะก็เลยก็ก็กงลัว อ, อยู่เหมือนกันค่ะอขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ใครจะถามคุณคุณลามมีหนึ่งคาถามค่ะเจ้าค่ะจากคุณเพกกี้นนท์กราบเรียนท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะการพูดโดยไม่เจตนาจนทําให้เขาโกรธเรามาทราบภายหลัง ถือว่าเป็นการพร่องในสี่ข้อสี่ที่ทำให้ไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าคะขอพระคุณก็อยู่ที่ว่าเราพูดอะไรถ้าพูดคำหยามันก็มันก็พร่องพูดสอเสียพูดพูดเพอเจร์พูดปดเนี่ยก็ผิดแต่ถ้าพูดความจริงแล้วเขาไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้อาจัยไห ไม่ผิดศีลแต่ก็ก่อนจะพูดถึงแม้ไม่ผิดศีลก็ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมไหมควรจะพูดไหมพูดแล้วโดนเขาตีหน้าก็อย่าไปโดนถูกเขาตบหน้าก็อย่าไปพูดดีกว่าถึงแม้จะเป็นความจริงแต่เขารับไม่ได้นี่ก็อย่าพูดดีกว่าไม่บาปแต่ว่าพูดไปแล้วมันจะเจ็บตัว อ่าวนแล้วบางคำถามมีใครอยากจะถามอะไรไหมล่ะคุณสุภจายกมือเชิญอนมีวได้ยังอไไ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วฉันไม่ต้ถามได้ได้หรลูก ข, ข อ, อนิดนึงเจ้าค่ะก็คือว่าลูกเห็นว่าตอนตอนที่ลูกบอกว่าอ่สติแบบรู้ว่าไม่ได้ตามสติสองวันเพราะว่ารู้ว่าแบบ คือคือเพลินในบุญนะเจ้าค่ะเพลินในบุญแล้วเพลินในความสุขของบุญเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันใช่มไหมเจ้าค่ะมันมันพอเราดูแลที่บ้านแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําบุญแล้วมันก็จะคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบวันสองวันคือคือรู้รู้สึกว่าเพลินในความสุขของบุญเนี่ยมัน มันจับยากกว่าทุกอะเจ้าค่ะมันใชนต้องต้องรีบวางใช่ไหมเจ้าค่ะตอนมีความโงแล้วก็ประมาแล้วก็เลยไม่ละมันละวันมันต้องทุก่อนบัญญาถึงจะเกิดสตตถึงจะเกิดเหมือนกันถ้าถ้ายังสบายใจอยู่ด้วยอย่างคนถ้าร่างกายสบายก็ไม่กินยาแต่พอร่างกายเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เริ่มหายยากินอันนี้ก็เหมือนกันใจแล้วก็เหมือนกัน เวลาใจไม่สบายมันก็ไม่สนใจกันเรื่องสติเรื่องปัญญาแต่พอใจเริ่มทุกข์ขึ้นมานี้ต้องต้องหายาแล้วธรรมะโอสถแะ้สติหาปัญญามาดับมันนะแต่เราต้องเราอยากเราอยากปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เราต้องเอ า, เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาเตือนแล้วว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกกรณีทุกเวลาัาจนถึงเมอจะสุข ก, ก็ต้องมีสติคอยควบคุมว่า สูงนี่มันก็ชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้เราเครียดนะไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะพอพอทุกเนี่ยลูกรู้สึกว่าเหมือนกับว่าลูกจะจับจับได้ไวคือวางได้ลงไวขึ้นแต่ลืมพอสูงมาเนี่ยมันมันรู้สึกมันดินพลาดอะมันโหลงว่าเจ้าค่ะมันเหลิงไปจนซะจนมาพออารมณ์เข้ามาเลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไปเพลินกับ สุขหลายวันแล้วมันก็เลยทําให้อารมณ์ตีเข้ามาเจ้าค่ะเยังไม่เป็นอุเบกขาเลยเรายังยังมีรักชังอยู่ความสุขยุคลาเพิดเพลินกับความสุขพอความสุขหมดก็ความช้งก็เข้ามาแทนที่สาธุเจ้าค่ะลูกจะพยายามระวังเจ้าค่ะก็คือให้ให้วางแล้วก็มีสติใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะดีเลยเจ้าค่ะได้ได้ได้ได้เรียนรู้เจ้าค่ะบ คุณอ้อมคุณอ้อมเข้ามาสุดท้ายคุณเข้ามาหลันนนงนีอันนี้นออกูไมโครโฟนหน่อยซิอันนี้อะอ่ะเียอือ่าอยทีอายทีใครมาเปิดดิออันิิ้ใหม่อันมิ้ใหม่อันนี้ใหม่โอเคได้ค่ะได้แล้วจะค่ะอ่าพูดเลยมีอะไรไหมอยู่ที่ไหน อยู่ที่นั่นด้วยกันใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะวินทอนกับคุณจิ๊บใช่เจ้าค่ะแม่พระอาจารย์ความจำดีจังเลยก็เป็นเจอาสาๆวๆก็ต้องจำดีหน่อยเนี่ยถูกค่ะวันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ <c oughs> แค่มารับฟังพระอาจารย์ <c oughs> โอเค ดีเราเราจะเริ่กพอดีนะเนี่ยกล้จะเระเะเนะิิกแล้วช่วงบอกสี่อยเห็นพระจย็ด น, น, น, นาทีแล้วมีใครย <ทะ S 1> มีคําถ <ทะ S 1> ามา ม, มีไหมถ้ามีถามได้นะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็คิดว่าจะขอออาวคุณก้องอพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมฟังผมฟังไม่ค่อยทานนะครับที่ว่าอทิเรื่องทิศทางการแดนจองกรมเนี่ยครับ ท้าอาจารยมันจนะบอกว่าให้เดินตามตะวันเดินตะวันออกตะวันตกอย่าเดินทัดอย่าอย่าเดินสวนตะวันก็ไม่ให้สวนตะวันอย่าเดินขวางตะวันอย่าเดินตามทิศเหนือใต้ให้เจากติมที่ทตะวันออกทิศตะวันตกอืดูเยื้องได้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้ได้แต่ไม่ให้เดินตทิศเหนือใต้แต่ถ้าไม่ได้บอกว่าทําไมแล้วไม่มีใครกล้าถามก็เลย S <S เราก็ตอบไม่ได้ทำไมแค่ น, นั้นแหลาแต่ถ้าจํ า, าจเป็นจริงๆก็เดินได้ถ้ามันไม่มีที่เดินจริงๆแล้วมันต้องเดินเหนือใต้ก็เดินได้ไม่ได้หา้ามแบบอถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกถ้าเลือกไม่ได้ก็ดีก็ไม่เดินถ้าเลือกลำ บ, บากไม่เดินก็เดินเดินยังดีกว่าครับนะไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป พี่ขหมดแล้วครับวันนี้มีน้องหนูสองคนเข้ามาเป็ไงใบหยกน้องวกาดกคะ่ะเป็นยังไงจสบาดีเหพี่ชายไม่ได้นานะน้องชายไม่ได้เข้ามาด้วย<อ>น้องชายมาค่ะกลงมาของแม่ก็มาด้ดค่ะอ่าโอเคอาวาสกาด่อามาดีามเข้าไปมล<อ>ูกใช่ครับ บ้านหนูอยู่ที่ไหนบ้านหนูอยู่ที่ไหนจะอยุงเทพใช่ไหมบ้านอยุงเทพใช่ไหมกยุงเทพค่ะอรุงเทพตลาดมากวู้งจะเข้าเนือดกลัวไม่ทันค่ะบาองหาหอยมาลูกหอยน้ำหอยดูเข้าไปดูเข้ามา่ะ ห น, นูเข้ามาเองแล้วเนี e ่ยอารย์สอนมะครับใช่ไหมครับจีหรอครับเด็กสบายจพอเข้เองสบายจอยู่เคร้อภาคมีค่ะมีอะไรจะถามหนูตามมมาก่อนแม่มีอะจะถามไหมมีไหลูกมีค่ะถามเลย เสียงขารขาด้นนหายไ้ไม่ได้ยินสัญญาณไม่ดีหยุดไปแล้วสัญญาณหลุดครับภาพนิ่งไปแล้วเสียงหายไปแล้วหนูถ้าหนูได้ยินนูต้องกลับกบเส้นมาครับฮะได้ยินผูดได้ อ, อย่าถามรอบรุ่งนะ อเคขอปโนหนูขอถามเลยอาถามเลยสัญญาณหนูไม่ดีผัดารได้หายไปจ้ะอาเราหลุดเรอลูกอสายมครับมาแล้วจะหายว้อะถอหลังที่ลูกเา่ยหาดๆไม่ได้ยินคาถามที่จะพูดกนที่ไหมคะไม่ได้ยินคาถามเลย เริ่มถามนะคะวิธีไม่สับประงกตอนนั่งสมาธิทำยังไงเราดันสมธล <ไป S 2> ้<น> ท, ลทีนีมันจับประงกเนะไปนั่งในป่าช้าดเลยไปนั่งที่เมนก็ได้ไปขอพระไปนั่งที่เมนหน่อยไได้ยินเลยค่ะนั่นนะสัญญาเราไม่ดีอ่ฮ่ไปขอไปที่วัาจะไปนั่งที่เมนดูเยเมก้อ่ รับนองได้ท้านั่งที่เม้นจะไดลูกนั่งในา <im it> เอาศกเลยคือ <im it> ไ, ไ <im it> กจใช่เียไปเฮ้ยต้องมีเจ้ด้วยาะนั้นเฮียอยู่ไม่ได้เนีม่มเต้องหมดข้าวต้องหมดข้าวได้เรายากินข้าวเย็นดูได้ไหเราไม่กินข้าวเย็นครับน เราไม่กินข้าวเย็นเอาไห้แล้วก็นั่งอแล้ค่ะแม่รับปากว่าทำได้นะลูกออลองดูสิจะได้ไดเอดทได้ไข่แม่บอกว่า น, น้ำ ด, ดักเยอนะน้หนักขี้เออยอะนะเราดูนะเร <c oughs> าจะไม่ง่วงจะไม่สับปะงงถ้าไม่ถ้าอดข้าวหน่อยอย่า ก, กินมากเกินไปกินสองมื้อก็พอกินถึงมื้อเที่ยงก็พอมื้อเย็นก็อย่าไปกินแล้นั่งสมาธิตอนเย็นจะไม่ง่วง ทำไม่ได้อย่ารับปากนะลูกถ้ารับปากเากต้องทำได้นะค่ะหนูจะรับปากไม่ได้ลูกคือเพรอะไรหนูลองดูก่อนไม่ต้องมารับปากก็แล้วกันหนูไปลองทดลองดูได้ก็ได้องดูชั่วหนึ่งวันก่อนไม่พอว่าไงลองกรรมการท่านอาจารย์ให้ลองดูแปดชค่ะโอเคเรายังไม่มั่นปาเดี๋ยวไม่นั่าล็อกนานเจ็ดวันหรือไม่ คิดได้เอาวันที่เราสอนมานดี๋ยวเช็ดดูฮัลโหนมีคนหนึ่งก็อยากจะพูดด้วยนะน้ออยากถามก็ถามเร็วๆถามเลยอาลัทธนาศีนคืออะไรขอศีนอาัธนาแล้วาขอศีนแปว่าขอขอให้พระบอกศีนให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง ราธนาบอกว่าขอขอให้พระช่วยบอกสิ่งห่ขอเชิญขอเชิญพระพระท้ายพระทำอะไรแล้วน่าราธนาเรื่องนี้มนต์อ๋อแล้วก็คำถามที่หนูอยากถามอ่ะพระอรหันต์โอติ้งท้ายปัดเลยนะไม่เอา้ไม่มันแปลว่าอะไรที่หนูถามมาแล้วไม่มี้คำตอบน่ะปัดฉิมมาเลนะ พระอรหรอันอมถูกพะที่บัลุธรรเป็นปัดทิมสาวกสุภาษิตอเปล่าคะน่าจะใช่นะก่อนที่ไปทานตามปัดชิมสาวกแปลว่าอะไรที่หนูถามมาปาดชิมแปล ว, ว่าเบื้องปลายมีมีขั้นเบื้ อ, อเบื้อวเบื้อต้นเริ่มกลางและเบ้อบนเมื้ปลาย ก็มีมัดชิมังเป็นเบื้องกลางมัดชิมันเบื้องปลายแล้วเบื้องต้นเนี่ยดึงไปแล้วนี่อะไรนะทำมันจะมีคือมีต้นมีกลางมีปลายปัดชินแบลว่าปลายเข้าใจไหมท่านี้ก่อนนะตั้งใจเรียนนังสือกันนะอย่าอย่าเล่นกันมากเกินไปนะ เดี๋ยวซาติจะไปกลาวพิจาร่ะโอเคซาติกล่าวได้อยู่อยู่สี่วันนี้นะก่อนดีกว่าที่ลูกครับจะไปกลาวพาจารณาไหมไปไหมลูกไปครับถ้าไม่มีเวลาก็กราวพิจารย์ที่ลูกครับได้ได้เหมือนกันกล่าวที่ไหนก็ได้เพราะเราเป็นคนกลาวคนรับกลาวเขาไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการกลาวของเรางั้นเรากลาวได้ แผมปรกาศเลยคือมแพูดเพือให้ถูกนะครับคนอื่นเขารออยู่จ้าถูกันค่อเคแล้วนอนหลับฝันดีนะนอนหลับฝันดีเดกค่ะเรจะนอนได้แล้วะเดี๋ยวรอก่อนเราฟังก่อนนั่งสมาธิฟัง่นี้วันหยุดโอเคได้รับการตอบค่ะคุณจอยคุณจอยจอคุณจอยคุณจอยเปิดเปิดไ Microphone. Uh, ask อันบิวไมโครโฟนอ่านบิวกดตรงกลางจอมันจะมีเทปกดอ mm ันบิวอ่าพูดได้เลย yeah. mm hmm. à, อยู่ที่ไหนอยู <'re> ่บางละมุงค่ะที่ใส่บาตตอนเช้าใช่ไหมใช่ค่ะสี่ห้า <Yeah. S 1> คนใช่ไหมลูกสามคนใช่ไหมลูกสามสี่ออ เป็นยังไงมีอะไรหรือเปล่าเรื่องมาตั้งทายเฉยพระอาจารย์ <ๆ S 2> ว, ว่าถ้าเราเห็นคนยิงหมาอย่างเงี้ยเราแล้วเราสงสารอย่างเงี้ยเราควรทําใจยังไงดีอะคะก็ถือว่าเป็นกรรมของหมาไปเลยถึงเวลาเป็ น, นแล้วแล้วเขาอ่ะ แ, แล้วเขาให้เราอะจับหมาใส่กรงด้วยอะคะเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงหมาอยู่อะคะ่ะเราวเราไงจับกรงไปฆ่าอยี่เงี่ยเลยไม่ฆ่าแต่ว่าจับเหมือนกับว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาโดนยิงอะค่ะ ก็ดีเธอก็ได้ป้องกันชีวิตเขาก็ดีดีกว่าให้เขาเออกไปเคลื่นผ้าแล้วถูกเขายิงตายแต่ม่เอามาพาแล้วแต่อันนี้คือดีเราก็เราช่วยชีวิตเขาไงใช่ไห<อ><ช> ม, มเราช่วยชีวิตเขาก็ไม่เป็นไรแต่ทางที่ดีก็อาจจะต้องพาเขาไปปล่อยที่มันปลอดภัยก็ได้เขาจะได้มีสละภาพอยากให้โทรหาเทศบาลให้เทศบาลมาจับเขาไปอ่ะ ก็ไม่รู้เขาจะมาหรือปล่าก็ลองถามก่าดูเลยสวัสดีครับสวัสดีครั บ, บ, รบอืมเป็นยังไนองนมอะไ ร, รชอบพระอาจารย์ชอบให้นมเขาต่อเด็กจ่ายนมนะอ่อยากนมเด็กก็วันน่ะเป็นธบะ ส่วนจนอยาจะไปแต่เสาร์อาทิตย์เวลาวันเสาร์ที่เขาอยู่ตรงเรียนกันก็ไปค่ะโอเคไปเจอกันเสาร์หน้าเราแล้วกันนะค่ะคือหนวดคอโอเคมีใครไหมอยากจะถามอะไรไหมเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านนะพอสมควรจะเวลานะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจารณาไปปฏิบัติ